พระเจรังพนท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาพบปะสนทนาธรรมกันเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครที่สนใจก็มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญเข้ามาถามได้เราจะเริ่มกับเด็กๆตามเดิม วันนี้ก็เอาจัดแมสกับจ็ทที่ก่อนเดี๋ยวเราดำเนินการพากันครับอ่าเป็นยังไงครับส่งกันว่านเขาเป็นยังไงฮะครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะโลกภูความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะโลคภูมความเจ็บไข้ไปไม่ได้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 เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการนั่นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมาอ้มหัวใจตับถือไตปอดเช่ใหญ่เชื่อน้อยอาหารใหม่อเกเยื่อในสมองศีรษะ น้ำนีน้ำเสลน้ำเหลือน้ำเลือดน้ำเหนื่อนน้ำมันมนน้ำตาน้มันเหลวน้ำลายน้ำมุ้งน้ำข้น้ำมูดน้ำมูน้ำเปข้าวน้ำมุ้งน้ำลายน้ำมัเหล่าน้ำตาน้มันหะอนน้ำเหื่อนน้เลือดน้ำเดือน้ำเสลน้ำตีเนื้สมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่เสงน้อยเส้นใหญ่ปอดไตมะเือ ตับหัวใจมาวิวในกระดูกกระดูกเอเนื้อหนพันเุ์และกลุ่มอาการเนี้สวยงามไหมไม่สวยงามแล้วทำไมเขาไปประกวดความสวยงามันน่ะฮ่าฮ่าฮ่าเขาประกวดนางงามันใช่ไหมข้าต้องประกวดอาการ32นะครับฮ่าฮ่าฮ่าต้องมองให้ครบ32อาการถึงจะเห็นว่าไม่สวยงาม แต่ถ้าจะมองแค่ห้าห้าการก็อาจจะหลงได้มองเห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังหนังก็สวยผมก็สวยเล็บก็สวยฟันก็สวยครับอรัต้องมองไปใต้ผิวหนังไปดูที่เนื้อไปดูที่เอ็นไปดูที่กระดูกครับนะฮะดูไปเรื่อยๆนะเห็นใครก็พยายามมองเข้าไปใต้ผิวหนัง เป็นซูเปอร์แมนใช้ตาเอ็เรย์มีตาปัญญา <c oughs> ตาตาปัญญานี้เขาว่าแสงสว่างแห่งปัญญานี่อา่ามีความสว่างมากกว่าแสงของพระอาทิตย์อ <c oughs> า <c oughs> ทิตยังไม่สามารถทะลุร่างกายได้อแสงสว่างแห่งปัญญานี้มองทะลุเข้าไปได้ชัดเจนเอาการ32 ครับครับนี่แหละของวิเศษเราไม่รู้จักใช้กันของดีของวิเศษครับอัดใช้น่ะตาเอ็กซเลยเอ็กซ์เลชัดก่อเอ็กซเลยที่ก็ถ่ายครับครับนี่เราสามารถมองด้วยใจด้วยปัญญาจินตนาการไปอืมเอรัยไหมวันนี้ไม่มีเลยครับนั่งสมาธิอยู่ นั่งอยู่ครับนั่งได้นานไหมก็นานอยู่ครับนาทีก็เกินยี่สิบนาทีครับอ่าทุกเกินนะครับแต่ว่าช่วยนนี้ฟังซูงภาษาอังกฤษกันเลยไม่ได้นานครับเอ่าฟังถึงฟังนานไหมก็นานอยู่ครับฟังรู้เรื่องนะฟงรู้เรื่องนะรเรื่องรู้เรื่องใ่ไหมในดีกว่าการภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ก็ฟังได้ของครูครับของครูนะโอเอดีพยายามติดตามศึกษาไปเรื่อยๆน ะ, ะนนจะเกิดปัญญาแล้วจะมองเห็นทะลุต่างๆมองทะลุเข้าไปในร่างกายมองเข้าไปในใจเลยในใจเราเนี่มีอริยสัจ ส, สี่แต่เรามองไม่เห็นกันอ่าขอบคุณพยาามศึกษาไปปฏิบัติไปเดีย๋ยวเราก็จะเปิดตาในขึ้นมา ตาในก็จะมีดวงตาเห็นธรรมนะเห็นธรรมด้วยตาในไม่ใช่เห็นด้วยตาเท่าโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วครับโอเคการทําต่อไปศึกษาปฏิบัติต่อไปครับอ่าอันนี้นะครจ้าราวขอบคุณพระอาจารย์ครับ คุณมอพิเชษเชษคุณมกับนอมสักการพระอาจารย์ครับพรุ่งนี้วันที่สองพฤศจิกายนกับบุญทิตาจิตพระอาจารย์มีอายุครบ7จสบปีสี่สิบเก้ารรษาขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงเป็นร่มโปรงใจให้กับญาติโยมทุกคนครับมันดีตรงไหนเนี่ยมันมีแต่ ม, มีแต่ทุกข์การไม่เกิดอันนี้การเกิดแล้วมันก็ต้องทุกข์ยิ่งอายุเวรานานเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปด้านั้นทุกทุกวันทางการร่างกายเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ปวดอปวดฉี่ปวดท้องปวดอะไรมีแต่ทุกข์ตลอดเวลาอย่าไปยินดีกับร่างกายพย่ามองให้เห็นทุกข์ในร่างกาย อืทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายจะได้ไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกอืมการฉลองวันเกิดก็เท่าฉลองความทุกขนะ์ต้องฉลองการไม่เกิดการไม่เกิดเนี่ยเป็นการการไม่มีความทุกข์เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย อเกิด okay. แล้วก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคนอืมครับสำหรคืนนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายอยู่กับโลกธรรมสีอย่างไรให้ไม่ทุกข์ครับพระอาจารย์โลกธรรมสีอาบยศเสริญสุขครับก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเหมือนว่ามันเป็นเหมือนไฟไฟนี้เราเข้าใจธรรมชาติ ม, มันใช่ว่ามันร้อนเราก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ ถ้าเราเข้าใกล้แล้วก็ต้องมีอะไรไม่คอยป้องกันเราไม่ได้เอ า, เอานิ้วเอามือเราไปแตะมันไปจับมันไปเราต้องเอาเอาเครื่องเครื่องมืออย่างหนึ่งมาคอยตัดทำไม่การเราใช้เตาถ่านเวลาเราจะตักถ่านออกจากเตาเราก็ต้องมีที่ตักไม่ใช่เอามือไปจับมันเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นของที่ มันร้อนมเหมือนเป็นเหมือนไฟเวลาวิธีที่เราจะที่มันร้อนพ่อมเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนเรียกว่าอนิจจ์อนัตตาเราไม่สามารถสั่งมันได้สั่งให้มันเที่ยงสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเวลามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็เกิดความทุกข์งั้นถ้าเรายังต้องเกี่ยวข้องกับมันอยู่เราก็ต้องรู้ทันแล้วก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการที่จะจับมันแต่ต้องมันเกี่ยวข้องกับมันพอได้ลาบมาต้องบอกให้ชั่วคราวนะพอได้ทแหน่งมาให้ชั่วคราวนะพอได้สรรเสริญมาแล้วชั่วคราวนะ เดี๋ยวก็นินทางก็มาได้นะอะแล้วก็พอได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้วก็จะบอกเความสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็หมดไปนะไปเที่ยวปั๊บกลับมามันก็หมดไปละจางหายไปหมดนะ ต, ต้องมีมีสติปัญญาคอยเตือนใจเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะจัดการกับลาภยศสรรเสริญสุขอ๋อเป็นของไม่แน่นอนมีเจริญรากก็ต้องมีเสื่อมรากเป็นธรรมดา คอสอนใจมีมีเจริญยศก็ต้องมีเสื่อมยศเป็นธรรมดาเห็น ไ, ไหมนายุคลุงลุงตู่หายไปหยไหนแล้วใช่ไหมยันยันลุงเศรษฐก็ไปเหมือนกันลุงเศรษฐก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ไปเวลามาก็ดีใจเดี๋ย ว, วลาไปก็เศร้าใจเพราะไม่มีสติปัญญาคอยประครับประคองไว้คอยป้องกันใจ แต่ถ้ารู้ทันก่อนว่าชั่วข้าวนะไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันวันดีคืนดีเดี๋ยวก็เขามีคาสั่งมาให้เปลี่ยนก็ต้องไปเพะเราต้องรู้ทันรู้ทันรู้คือรู้ว่ามันไม่แน่นอนไม่เที่ยมมีจรงแล้วต้องมีเส่อมเส่อมยอดจแรงยอดนั้วดี๋ยก็เสื่อมยอด ฉันมีสารเสริงก็ต้องเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นอินทามีสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวก็ต้องมีทุกข์ทางรูปเสียงกลิ่นรสเวลาได้คนที่เรารักมาก็ดีใจเนี่ยแต่งงานกันเดี๋ยวเกิดเวลาเขาตายจากเราไปก็เศร้าใจเสียใจหรือเวลาเขาทิ้งเราอ่ะมันก็จะทําทให้เราเศร้าใจเสียใจแต่ถ้าเรารู้ทันแล้วว่าเฉยๆก็รู้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ได้ไปหวังอะไรให้มันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้หวังว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเตรียมตัวเตรียมใจไว้งานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดนิงยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สําหรับเรามันต้องมีวันสิ้นสุดมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันในที่สุดเมื่อร่างกายเราเมื่อเกล่างกายเราหมดสภาพนามยนต์สรรสริญสุขที่เราเคยสืบสัมผัสมันก็หมดไป ที่มันหมดก่อนที่เราตายมันจากเราไปก่อนที่เราตายก็ได้หรือ mm. เราเราไปมันยังอยู่แต่เราต้องไปเพราะความตายมันมาดึงเราไปเนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัญญามองให้เห็นตายรับเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงก็จะทุกข์งั้นต้องอย่าไปอยากให้มันเที่ยงต้องพร้อมรับของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ อันนี่แหละวิธีที่เราจะปฏิบัติการโลกกับธรรมสี่พระพุทธเจ้าพระหลานนี่ท่านปฏิบัติการโลกกับธรรมสี่แบบรู้ทันไม่ยึดไม่ติดไม่ยินดีไม่ยินร้ายเวลามาก็มียินดีเวลาไปก็ไม่เสียใจอท่านก็ท่านกับโลกกับธรรมปางก็เหมือนใบน้ําอน้ําหยดบนใบบัวหยดน้ําบนใบบัวหยดน้ําก็คือโลกกับธรรมนะ ใบบัวก็คือจิตของพระหลานจิตของพระวัตเจ้าไม่ไม่ดูดซึมน้ําที่มันหหยดอยู่บนใบบัวไม่เหมือนไม่เหมือนจิตของปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึ่มเราหยดน้าลงไปทั้งหยดเลยมันดูดไปเลยพอได้ล่า ม, มาโอ้ดีใจนี้ไม่ได้แย่งกันแล้วําไปพอได้ได้ยนดยังไม่ทันได้ก็แย่งกันแล้วนี่ก็ดูดเลยเข้ากระโดดเข้าหาเลย ผ้าหาันพระพุทธเจ้าท่านเฉยๆมาก็มาถ้าหลบได้ก็หลบถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธถ้าปฏิเสธไม่ได้ก็รับไว้ไม่ให้เสียมารยาทเท่านั้นเองพร้อมที่จะให้มันไปทุกเวลานทีกสถเนที่ น, นี่จะทําใจอย่างนี้ได้ต้องมีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาเนี่ยก็ลืมเนี่ยก็เผลออยาเห็นของที่ชอบขึ้นมาก็อยากจะได้ขึ้นมา พอได้มาแล้วก็ต้องกังวลต้องดูแลรักษามันแล้วเดี๋ยวเวลาจากเขาไปแล้วก็ทุกข์เองมองให้เห็นทุกข์ทุกข์เกิดจากความอยากของเราอยากได้ก็ทุกข์พออยากให้มันได้มาแล้วอยากให้มันอยู่กับเราก็ทุกข์เวลามันมาจากไปก็ทุกข์เวลาไม่ไม่อยากให้มันจากเรามันก็ทุกข์มันทุกข์เพราะความอยากเห็นถ้าจะ ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้อย่าบัญญัตกับมันมันมาก็ให้มันมาไปมันจะไปก็ให้มันไปทางนั้นแหละใจเราก็าจะไม่ทุกข์ทุกข์เพราะความอยากอาจารย์ยัเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์กรับไปพระบนอย่างสูงครับอาจารย์สาธุอาจารย์ขอให้ทุกคนไม่ต้องอวยพอเนะีเดี๋ยวเสีวเวลาพ อ, อละแค่นี้คนเดียวก็พอ นะเข้าใจแล้วยินดีกรสาธุกับทุกคนนะไม่ได้ไม่ต้องมากังวลขอเวยฟยนพรนอาจายยรยร์เดี๋ยวคนที่เวฟยพรานเราไม่เวฟยนพรเดี๋ยวจะเสียหน่ายโอเคนะหมอวิเชษเขาทำหน้าที่แทนพวกเราทุกคนนะจบ <Okay. S 1> โอเคไอไรที่คนที่ติมาต่อเนยะอยู่ด้านเมือง สวน้าาองจารย์พระอาจารย์วันนี้เข้ามากับฟังธรรมค่ะแล้วก็ขออนุญาต ก, กับแฮปปี้วันดีพระอาจารย์ค่ะดูขานาเบาอะไรวะมันแฮปปี้ไหนมันทุกข์จะตายมัรื่องว่าแฮปปี้ขออนุญาตค่ะพระอาจารย์และพรอาจารย์ัษแข็งแรงนะคะอ่าสาธุพระอาจาที่ทุกทุกพออะไรต้องคอยว่าทุกพาตัดเทเยวันนี้ก็ตัดไว้ต้องหลายก่อนค่ะ โอเคนะสาธุาใปที่คุณฝนต่อฝนไปตีเจ้าตอนใหม่โอเคพูดได้แนละ้วรัศการเจ้าขาพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าขาวันนี้ลูกอยากมีเรื่องกราบเรียนถามมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องความตายอะค่ะพระอาจารย์ พอดีว่ามีน้องที่รู้จักไมไ่รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วค่ะเขาเป็นมะเร็งแล้เพิ่งเสียชีวิตเราลูกก็หลังๆ ห, หนูก็นึกถึงคําสอนพระอาจารย์ที่บอกว่าให้พิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลานะคะหนูก็พิจารณาวิธีการตายของหนูเนี่ยหลายรูปแบบมากเลยอะคะ่ะเราหนูรู้สึกว่าการตายเนี่ยหนูหนูเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนยังไงก็ต้องตายะคะ่ะแต่หนูสิ่งที่หนูคิดว่าหนูคงยังทําไม่ได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสภาวะ ความทรมานก่อนตายอะค่ะพระอาจารย์ว่าแบบเราจะผ่านมันตรงนั้นไปได้ยังไงอะค่ะอย่างเช่นว่าอย่างหนูจินตนาการว่าเออหนูอาจจะโดนไฟครอกตายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจมน้ำตายแบบเนี้ยค่ะถึงตอนนั้นน่ะหนูก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าสติมันจะช่วยให้เราเราผ่านตรงนั้นไปได้หรือเปล่าคือเรายอมรับกับความตายนะคะพระอาจารย์เพียงแต่ว่า ไอ้ความทรมานก่อนตายเนี่ยค่ะมันก็ยังกลายเป็นความอยากที่เราอยากจะให้มันหายไปอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องทํำยังไงอะค่ะต้องฝึกสมาธิไงฝึกสมาธิให้จิตรวมลงเป็นอุเบกขาพรามีอุเบกขาแล้วมันก็จะเฉยๆกับการตายของร่างกายอันนี้มันไม่มีอุเบกขามันอิเลสมันก็เลยกลัวมันรู้ว่าจะทําตัวอย่างไรเวลาถึงเวลานั้น ทำใจเฉยๆไม่เป็นมันก็จะยังมีรักมีชังมีกลัวมีหลงอยู่แต่ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้ความรักชังกลัวหลงก็หาั้ปความรักตัวกลัวตายก็หายไปความชังกับความตายก็จะหายไปความกลัวความตายก็จะหายไปความหลงที่คิดว่าเราตายก็หายไปเราไม่ได้ตาย ต, ตัวที่ตายไม่ใช่เรา เ, ราเ้วก็ดูมันไปดู ร่างกายเป็นตัวละครนะเราเป็นคนใช้ร่างกายไป ย, ยังต้องฝึกสมาธิฝึกสติปัญญาเรามีกันมากนล้วแต่ยังไม่สามารถเอาปัญญามาทําใจให้ปล่อยวางได้ตัวที่จะทําให้เราปล่อยวางได้ก็คือเบคาปัญญาสอนให้เราปล่อยแต่เราปล่อยไม่เป็นแล้วเราต้องมาหาปล่อย ปล่อยด้วยการเข้าสมาธิแล้วมันจะเข้าทันเหรอคะอาจารย์เหมือนตอนที่เราแบบสมมติว่าเราแบบกําลังจนน้าตายอย่างเงี้ยค่ะแล้วมั น, อ, อ, นอึดอัดแบบมันจะอึดอัดมันไม่ไม่ต้องเข้านะพอมันหมดได้หมเบ็ขาดเราไม่ต้องเข้าที่เราเข้าสมาธินี้เพื่อสอนใจให้รู้จักปล่อยวางวางเฉยเฉยว่าเป็นยังไงเอามันวางเฉยได้แล้วมันไม่ต้องเข้าสมาธิเวลาใครด่าก็ได้ยินก็เฉยได้ใครอะไรก็เฉยได้ แต่ถ้าไม่ได้มีอุเบกขาไม่มันก็ไม่เฉยไอกายด่าทั้งที่รู้ว่าเป็นโลกธรรมเป็นธรรมดาก็ยังอดไม่ได้อดเสียใจไม่ได้อดอดกดเครื่องเขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกอุเบกขาเราต้องฝึกอุเบกขาด้วยการเข้าสมาธิพอเวลาเข้าสมาธิเราจะรู้อ๋ออุเบกขาทำอย่างนี้เองเฉยๆแบบนี้เองพอเราออกมาจากสมาธิเราก็ เราก็ทําเฉยๆแบบนี้ได้เหมือนถ้าเรามีอุเบกขาเราจะเราจะปล่อยความปล่อยวางเหมือนกับเฉยๆกับความเจ็บปวดเหมือนกับตอนเวทนาที่เราทุกอย่างทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นร้อนฝนทับผ้ารวมถึงเวทนาด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะก็มันเวทนาคือผวดทัพผ้าเองอ๋อค่ะตัวที่สัมผัสผ่านทางร่างกายเนี่ยปวดทับผ้เวลาหิวข้าก็ปวดทัพผ้เวลาปวดท้องก็ปวดทับผ้าอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เรียกมันปวดทับผ้ อ๋อเจ้าค่ะอืมเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ว่าเออถ้าเรามีอุเบกขาถึงถึงถึงตอนจุดวิกฤตตอนนั้นแล้วแบบอุเบกขามันจะทําให้เรามไม่ไม่ไม่รู้สึกอปล่อยวางนะคะใช้คำว่าปล่อยวางเราจะปล่อยได้ตั้งแต่หลังจากเราออกจากสมาธิมาเราก็จะเริ่มปล่อยวางได้นะถ้าเรามีปัญญากากับแทนเวลาที่ออกจากสมาธิมาปัญญาก็บอกให้เฉยๆนะอย่าไปยินดีร้ายอะไรกับใครเขาต่อไม่เที่ยง ก็เดี๋ยวจะลองกลับไปพิจรารณาน่ะแล้วจะดูอีกรอบหนึ่งค่ะรพาะยายามทําจิตให้นิ่งให้สงบให้สักแต่ว่าเราต้องเป็นหนึ่งเอกขัตตารมจิตลมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิได้มันจะเป็นไปอัตโนมัติเลยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าคนที่เคยทําได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนจะตายก็จะแบบมันก็ซ้อมได้มันเพื่ออยากจะทาข้อสอบก่อนก็ได้ถ้ายังไม่ตายก็ไปหาที่น่ากลัวอยู่ Uh huh. พระท่านไปอยู่ในป่าท่านก็นจะไปทดสอบใจของท่านว่าอ uh huh. เป็นยังไงปล่อยวางได้มไหมเวลาได้ยินเสียงเสือคำรามขึ้นมาสมายก่อนน้องปูม่ม่านน้องกูเขาเนี่ท่านไปหาเสือหาสัตว์่อือันดูว่าใจยังใจยังตกใจยังกลัวหรือเปล่าแล้ว เ, เฉยเฉยนั่นแหละ uh huh. ต้องไปทดสอบอ uh huh. ความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วดูว่าเฉยเฉได้หรือเปล่า่อ uh huh. uh huh. ถ้าเฉียนใช้มันจะไม่ทรมาร์ดอ่าเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าเราถ้าเราวางอุเบกขาได้มันจะวางอุเบกขาได้ทุกเรื่องรวมถึงหนูเข้าใจแล้วเวทนาคือส่วนหนึ่งของผลทัพภะใชไม่ต้องเข้าไปในสมาธิถ้าเรารู้จักทําใจให้เฉยแล้วเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้อ่าเข้าเข้าใจเลยค่ะเพราะว่างงอยู่กับเรื่องนี้มานานเลยวันนี้หนูเข้าใจเลยค่ะแต่ถ้ายังทําใจให้เป็นอุเบกขาไม่เป็นเราก็ต้องเข้าสมาธิไป ถ้าเาจะเห็นอุเบกขาว่าเป็นยังไงถ้าเราก็รู้ออกแล้วต้องเหมือนกับเราขับรถฐานเกียร์ว่างไม่เจอเลยพอเราเจอเกียร์ว่างบทีเรารู้ อ, อ่อนขณะที่เราต้องการจะหยุดรถจะจอดรถนี่เราก็เข้าเกียร์ว่างได้ก่อนหน้านั้นมีแต่เกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังรู้แต่เกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยนหลังจะจอดรถจอดไม่ได้ ท, ทั้งทีเข้าใจแล้วค่ะพอาจารย์อืม สมาธิเป็นตัวที่จะทำให้เราค้นพบกับเตียว่างของใจเกียวกหน้ากับความรักเกียถกอยหนังก็คือความชันนี่เองออแต่เตียวว่างเตี่ยวเตี่ยวว่างไม่ไมเจออยู่ตรงกลางไม่เจอ <c oughs> อุเบกขาอยู่ระหว่างความรักความชันแต่เข้าสมาธิแล้วนะมันจะไปตรงจุดนั้นเป็นตรงจุดที่ว่างกลางที่เป็นกลาง ะนะฮะงั้นอย่าประมาทต้องพยายามฝึกสมาธิใครว่าอย่าไปทำสมาธิแสดงพวกนี้ทําขาเขาเขาทำไม่เป็นเขาก็เลยเขาก็เลยอย่าไปทํามันใช้ปัญญาใช้ปัญญาแต่มันปัญญามันรู้หมอให้ปล่อยหัวใจมันมาปล่อยไม่เป็นแับนี้เนี่ยนะใช่ค่ะต้องฝึกสมาธิเวลาเข้าสมาธิมันปล่อ ย, อยนอกสมาธิมันปล่อยรูปเสียงกินรสปล่อยร่างกายปุถุพราั้งหมด นะมืันสำถ้ามันสารับสัมผัสรับรู้ความเจ็บมันก็จะเฉยเฉยได้ยินเสียงมันก็จะเฉยเฉยบางทีมันเข้าลึกไปกว่านั้นหายไปหมดเลยรูปเสียงกยลื่นร้อนปวดตาพระเหลือแต่จิตวน้วนยังต้องฝึกสติให้มากตัวเนี้ยสติที่จะเป็นตัวที่ยันเดินใจให้เข้าสมาธิได้ถึงบอกว่าเวลาเริ่มต้นนี้ฝึกสติอย่าไปฝึกปัญญาเพราะปัญญาต้องใช้ความคิด อา่ารยความคิดแล้วมันจะไม่เน่งมันไม่มันจะไม่สงบต้องฝึกสติไม่คิดอะไรค่ะหนูไม่ลืมฝึกสติเลยค่ะพอาจารย์เพราะว่าหนูจําคําของพอาจารย์ไว้ตลอดว่าสติคือรอยเท้าช้างนะคะก็ถึงทุกวันนี้จะขาดบางเรื่องอะไรบ้างแต่สติจะไม่ขาดนะค่ะอาจารย์ฝึกสติให้ได้ก่อนแล้วเรื่องอื่นมาตามมา น, นี่เอาเรื่องอื่นก่อนมันก็ไม่ไม่มันทําใช้ประโยชน์ไม่ได้ค่ะเอาไปทําประโยชน์ไม่ได้ ค่ะก็หนูรู้สึกตั้งแต่ฝึกสติมันคิดน้อยลงไปเยอะจนวันหนึ่งลืมไปเลยค่ะว่าคิดเรื่องอื่นอะไรไปบ้างไม่ค่อยได้คิดนะคะก็จะจะแบบอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะพระอาจารย์อา่ายพยายามฝึกไปมีสติแล้วก็นั่งสมาธินะก็<ด>นั่งด้วยบางคนก็ฝึกแต่สติไม่ยอมนั่งสมาธิา่ก็ได้ขึ้นเดียวได้ขึ้นเดียวค่ะได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ กลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยเจ้าค่ ะ, ะสาธุสาธุนะเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่คุณสาธกาชายหน้ามาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์อ เ, เอกอันแล้วก็ไอ้ที่ฝึกเนี่ยค่ะพอเวลาเราอยู่กับเป็กนาเนี่ยเราก็ยังรับรู้อยู่ใช่ไหมคะก็มีสองแบบแบบรับรู้ก็มีแบบแบบเข้าไปหาเวตนาหายไปเลยก็มี ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะอย่างกับว่าที่ลูกไปผ่าตัดนะค่ะแล้วทีนี้ผ่าตัดที่ขาแล้วมันดามดามขาตลอดเลยค่ะพระอาจารย์แต่ลูกก็อยู่กับมันได้มันมันเจ็บแต่ไม่เดือดร้อนก็อยู่กับมันได้แต่ว่าพอมันปวดมากมากค่ะคือรู้ว่ามันปวดมากแต่ลูกก็อยู่กับมันได้อย่างนั้นนะคะประมาณคือมันไม่ต้องกินยาได้ก็ดี คือมันมันปวดมากค่ะอาจารย์ตรงตรงขาแต่ว่าลูกก็คืออยู่ได้แล้วก็หมอก็ก็จะสั่งฉีดยาแก้ปวดตามระยะเวลาแต่บางอย่ามันเลยแต่ลูกก็ไม่ได้อะไรนะคะลูกก็อยู่กับมันไปเจ็บ่าประมาณเก้าชมงเพราะว่าที่ระอาจารย์บอกว่าให้ลองฝึกอันะค่ะระอาจารย์เออความเจ็บปวนได้ได้แล้วก็พอพอเสร็จแล้วว่าเหมือนว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอจะอะไรทีเนี้ยอีกตอนที่ลูก เจ็บอันนี้ลูกคิดว่ามันเจ็บมากกว่าไอ้ที่ผ่าสามครั้งที่เคยลูกเคยเจอมาค่อะอาจารย์ไอ mm ้สามครั้งที่ที่เคยเจอมาเนี่ยมันมันไม่ได้อย่างเก่งก็กินแค่พาราแต่อันนี้คือมันปวดมากแต่ก็รับรู้อยู่กับมันได้นะคะอาจารย์ไม่ mm hmm. ไม่ได้รู้อะไรมากแต่ถ้าก็ถามว่าปวดขนาดไหนก็คือระดับสิบก็คือปวดแล mm ้วค่ะแต่ก็ไม่ก็คืออยู่กับมันได้ลูกเป็นคนไม่ค่อยอะไร แสดงว่าอย่างนี้ก็โอเคใช่ไหมคะพอตอนเช้ามาลูกก็พอเ็าเอาเอาน้ำเกลืออะไรออกหมดอย่างนี้คะ่ะลูกก็<ม>อยู่ได้แล้วก็ลูกก็ใช้นั่งภาวนาเอาก็ก็เข้าเข้าได้หลังจากที่ไม่ได้ให้น้ำเกลือก็ถ้าถ้าเราไม่ทุกข์ก็ใช้ได้<ม> อ, ยอย่าไปทุกข์กับมันออค่อใช้ไปแสดงว่าเรามีอุเบกขา เพราะว่าพอจากวันลุ้ขึ้นนะคะพอหลังจากหมอหมอก็คือลูกยังดามขาอยู่อะไรอยู่แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะพอลุ้งขึ้นนะ่ะลูกก็เอาน้ำเกลืออะไรออกหมดแล้วก็พอเสร็จคุณหมอมาเอาไอ้ที่ล็อกขาทั้งหมดนะคะแต่อีกตอนที่ระหว่างที่ลูกลูกนอนอยู่ที่กระดุกกระติกไม่ได้9ก้าชั่วโมงที่ปวดนะคะลูกก็มาพิจารณาเอาว่า ถ้าสมมติเกิดว่าลูกอ่ะเป็นแบบเหมือนคนไข้ที่มันติดตียางเป็นกดทับกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันมันน่าจะทรบานกว่านี้ลูกคิดว่าอย่างนั้นแต่อันนี้มันคือเหมือนเรามันเหมือนล็อกให้เราอยู่ที่เก้าชั่วโมงโดยที่เราทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ก็คือเหมือนเราก็เริ่มฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยเราจะเป็นอะไรบ้างเนี้ยคะ่ะไปเจอ <S <S โัน อาาจย์เราต้องรับกับทุกสภาพไม่ได้แานขาขาขาดอะไรก็ถึงเวลาก็ต้องยอมรับมันไปเออครับรั้ษใจเราให้สงบเปอย่างเดียวเจ้าให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาใจเพื่อความสงบเนลยรักษาธรรมเพราะเพราะว่าพอรุ่นขึ้นพอเขาเอาไอท้ที่ที่ดำขาลูกออกไปลูกก็ก็ตอนที่ที่ปวดเนี่ยลูกก็คืออยู่กับมันแต่ลูกอะ ภาวนาอะไรอ่ะไม่ได้แต่ลูกอใช้ปัญญาอยู่กับคือลูกอยู่กับอย่างนั้นนะได้จนถึงเช้าเลยค่ะอาจารย์แบบไม่ได้นอนได้อะไรแต่ไมไ่ได้รู้สึกว่าอะไรนะคะก็คือปวดนะรู้เวลาก็ถามแต่ว่าพอตอนเช้าอะ่ะก็ใช้นั่งสมาธิเหมือนเดิมก็ก็ก็นั่งได้เข้าได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็ได้บางทีอุเบกขาเราอ่อนกําลังลงแล้วก็เข้าสมาธิเพิ่มกําลังขึ้นมา อ๋อค่ะพระอาจารย์งั้นก็ฝึกอย่างนี้ไป<ม>เรื่อย ใ, <ช>ใช่ัหมคะใช่หรือคอยบริกรรมถ้าไม่ได้เข้าสมาธิก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปมันก็จะทําทให้มีอุเบกขาเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าปกติก็เหมือนที่ลูกบอกพระอาจารย์ว่าส่วนมากก็จะอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครอะคะ่ะก็อยู่ประมาณนี้แหละฝึกไปเถอิดอ่าใช่แล่วก็เลยก็ทุบพุ่นไวไปเปล่าไม่เกิไปอะไรชนค่ะพระอาจารย์ค่ะ ตัดนะคุณยินดีจากสหรัฐจากแคนซัสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ลูกมาร่วมความธรรมค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอยซ้องเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ยังหนาวอยู่อ่ะหนาวค่ะหนาวแล้วค่ะที่นี้ลบค่ะติดลบวันนี้ติดลบห้าค่ะท่านอาจารย์หนาวมากนะค่ะท่านอาจารย์ก็โอเคค่ะ โอเคดูแลรักษาร่างกายให้ดีนะได้ขอพระคุณค่ะท่านอาจารย์ขอพระคุณทนะ่นานอาจารย์สูงค่ะท่านอนะานจารย์เดวิดขอเดิมนะะท่านอาจารย์ขอบ <ขอ S 2> คุณเดวิดด้วยนะอขอบขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณอย่างสูงค่นะมสซี บ, บอกกูบอกเ <c oughs> ขาค่ะท่านอาจารย์เขาดีใจมากเลยค่ะนะเขาชอบถามหนูว่าถ้านอาจารย์พูดเป็นภาษาอะไรบอก วันนี้เป็นภาษาหนูจะคอยบอกเขาว่าภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยน่าจะค่ะแต่ว่าคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ขอบคุณจติค่ะคุณอนอันต์งเชิญอยู่ป่าไหนเนี่ย <c oughs> ถ้าพมาจากอินเทอร์เน็ตมาสิถ้าถ้ามีที่อยู่อย่างงี้ก็ดีแล้วนะมีป่าอยู่เ ง, งียบออมาสงบก็จะ <c oughs> ดีแลัง พราจาย์เขายมมีคําถามว่าบางครั้งโยมนั่งสมาธิก็ก็สงบดีแล้วบางทีเหมือนคนในบ้านทำเสียงดังมากแล้วโยมก็เหมือนก็จะตกใจขึ้นมามากอย่างเงี้ยเป็นเพราะเราสติไม่ดีวะคะพระอาจารย์ไม่เรามันเป็นปฏิกิริยาของจิตเราถ้ามันมันเป็นแค่ข้าแวบเดียวแล้วก็กลับมาเงี่ยงเฉยๆก็ไม่เป็นไรเห ม, มันสัญชาตญาณของจิตบางทีมันมีอะไรมา ก, กระทบกระเทืนอย่างไรมันก็จะ เกิดอาการทันุ่งขึ้นมาได้ตอนแรกก็เอ๊ะเราสติไม่ดีหรือเปล่าว่าบางทีเขามาเสิ่งดังมากตกใจขึ้นมาเลยเอดี๋ยวมันเป็นสัญชาตญาณบางทีเดินไปจะลื่นจะล้มเนี่มันก็จะเกิดอาการตกใจขึ้นมาได้แต่เพรชชั่วขนาดเดียวแล้วมันก็ถ้ามีสติมันก็กลับมาเฉยมันกลับมาได้ค่ะออันนี้เมื่อกี้พอดีฟังเรื่องอาการปวดต่างๆก็เลยมีคําถามสงสัยว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ เขายอมปวดที่ต้อปวดฟันแล้วมันก็มาติดเชื้อที่ต่อมน้ําเหลืองเลยเนี่ยก็ปวดนี่ก็เลยสงสัยว่าเวลาปวดเนี่ยมันจะทําให้การปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนมันก็จะท้าทายมากขึ้นนได้เหมือนอันนี้มันก็จะทํ า, ทาทให้เรามีความทุกข์เห็นชัดทุกทุกเห็นชั ด, ชดถ้าเราไม่กินยาเนี่ยมันก็เวลาปฏิบัติมันมันก็เข้าสมาธิยากจริงๆเราควรจะทําทํายังไงกับ กับอาการเหล่าเนี้ยอาการปวดเหล่าเนี้ยก็ อ, <S <S อยู่กันอยู่ที่สติปัญญาเรามันมีมากมีน้อยอถ้าเรามีสติปัญญามากเราก็สามารถอ อ, อยู่กับมันได้โดยไม่ไม่เดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนแสดงสติปัญญาเรายังไม่มากพอโดยเฉพาะโดยเฉพาะตัวสติตัวตัวสมาธินีเ่เรามีปัญญ า, าจะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้แต่ใจเรามันก็ยังดด้นอยู่ แลวเราใช้พุโทโธเลยลวเวลามันเร่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ถูกเพียงแต่ว่ามันทําให้เหมือนสมัรธภาพดีวกว่าทั้งเหมือนแบบสมมุติว่าถ้าเราไม่ถ้าเราทานยาเนี่ยมันจะบรรเทาอาการลงแล้วเราเหมัอนสมัรถภาพในการนั่งสมาธิเราก็จะดีดีกว่าการที่ถ้าเราไม่ได้ทานแล้วอาการปวดมันยังอยู่มันก็เหมือนสมัรถภาพ ในการจะนั่งปฏิบัติเนี่ยมันจ ะ, ะการนั่งนั่งปการสู้กับความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยาเนี่ยแหละก็เป็นการปฏิบัตินะเอาแบบถ้าแบบถ้าไปกินยาเนี่ยเรียกว่าหนีจากนี้การปฏิบัตินะโน้<อ>เวทีไปหาไปหายากินเรียกว่าหลบแล้วหนีแล้วนั่นก็นกินเลยมันหลอกแล้วว่าเราจะปฏิบัติดีถ้าเรากินยาไม่ใช่หรอกตอนนี้เราก็ลังปฏิบัติอยู่แล้วเราจะไปหนีมันทําไม เนเวลาเราเจอทุกข์ก็ไว่ทนาแล้วเราไม่หนีมันเรียกว่าเรากําลังปฏิบัติอย่าปล่อยวางเพียงใปล่อยวางได้มู้ไหมยังทุกข์กับมันหรือไม่ทุกข์กับมันอันนี้แหละอืคือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์คนที่ปฏิบัติขั้นนี้วลาดีใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะจะได้ไม่ต้องทัามานั่งานานๆให้มันเจ็บมันมันเจ็บมันมาหาเราเลยทีนี้เมื่อก่อนเราต้องวิ่งหามาัน อันนี้ผมนะฮะเรากับวิ่งหนีแสดงว่ามันก็ไม่ได้ปฏิบัติจิงดนะถ้าปฏิบัติไม่วิ่งหนีสู้ไม่ถอยง่ า, ายไหมโยมจะได้เอาแสดงว่าคือโยมอาจจะมีบางครั้ความคิดอาจจะไม่ถูกเขาคิดว่าพอพอมันไ ม, นมนติดรูปแบบของการปฏิบัติเราต้องนั่งสมาธิใช่พอเจ็บปวด ส, สติไม่ดีสมาธิเลยเข้าไม่ได้ใช่ค่ะเรื่องใบว่าเนี่ยการปฏิบัติอีกมั น, มน อันนี้ขั้นระดับวิปัสสนาปัญญาะ<ม>เราจะอยู่กับมันได้ไหมเห็นว่ามันเป็นอนัตตาแล้วเปล่าควบคุมบังคับมันได้หรือเปล่า<ม>หรือไม่ท่านยังไม่ได้อยู่ขั้นวิปัสสนาแล้วขั้นสติเราใช้สติพุทโธพุทโธบริกรรมทําใจให้เรานิ่งเฉยเได้หรือเปล่าจริงๆมันนิ่งนะอาจารย์แต่ว่าโยมอาจจะติดรูปแบบว่ามันต้องเข้าสมาธิให้ให้เข้าแล้วทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันก็พอแล้วอื ไมเราไม่ไมให้ใจเราไม่เดือดร้อนไปกับมันถ้ามันเจ็บถ้ามันเจ็บก็เราพูดโธนี่แล้วเราก็ลองอยู่ในค่าการเข้าสมาธิเราล้วอย่าไปกินยาทําไมอ๋อได้ทีนี้ยงเราจะได้เข้าใจใหม่ครตอนแรกก็ุยกินยามันง่ายไปเลยข้อสอบมันง่ายนี่เราต้องการทาข้อสอบที่ยากยากนะฮะเวลาเวลาเราไม่เจ็บปวดแเราเข้าสมาธิได้แล้วเวลาเราเจ็บปวดเราเข้าสมาธิได้หรือเปล่าครับ เช่มเรายังจเจริญสติได้หรือเปล่า mm hmm. ถ้าไม่ได้แสดงว่าเรายังใช่ไม่ได้ mm hmm. เรายังเอาไปพื่งยาอยูอ่ได้เลยค่ะงั้นจะได้เป็นเขาคิดหลักการใหม่เวลาเจ็บปวดมาเจ็บปวดมาว่าโอ้โนี่มาแล้วข้อสอบจะไปหนีทาไมเมื mm ่อ hmm. ก่อนเราเพียงแต่ทำการบ้าน น, นั่นเองนี่เจอของจริงแนละ้ว ก็ยังคิดเลยวันที่ปวดฟันว่าโอ้โหนี่หนักกว่าปวดขาเวลวนั่งมากแล้วก็นัน่นแหละเรอยูถ้าเราอยู่กับมันได้แล้วถือว่าเราเก่งแล้วไม่เรากินยาใช่นะที่อาจารย์ว่าท่นานปฏิเสธบางทีกินยามันก็ไม่ได้หายทันทีมไมไ่หายนั่น น, นั น, นก็ต้องอยู่กับมันให้ได้จริงๆนั่มันไปติดยาปัญหามันจะไม่ติดยาต่อแม่อืมค่ะใช่ใช เลค่ะ น, นี้ก็เ อ, ธรร อ, อาธรรมะเอาส่วนเดียวนีะยาธรรมะเอาส่วนไม่มีพิษมีภัยอใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะเอาส่วนใช่ไหมค่ะก็วันนี้มีคําถามเท่านีก้ก็ยังปฏิบัติทุกวันค่จริงๆยังพยายามรักษาสิ่แต่แล้วันนี้ต้องแต่งหน้าเพราะต้องไปงานจริงพระอาจารย์บอกหืมตั้งหลายวันไม่มีงานทำไมต้องมีงานวันที่ต้องมาเข้าซูมเนี่ย แต่ว่าทุกวันยังพยายามก็ลองไปลองไปมันไม่แต่งหน้าไม่ได้ถ้าเขาถาม ว, าว่าวันนี้ไม่ไม่อยากจะแต่งจริงก็ได้แหละท่านนะแต่ันนี้ให้เกียรติสามีนิดนึงเขาบอกเธอจะไม่แต่งหน้าให้เกียรติฉันหน่อยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่านิดนึงก็ได้โน้ตาท่านบอกว่าถ้าเกลีใจคนทําก็แหละก็ จริงจริ ง, รงไม่แต่งได้ค่ะแล้วนุ่นมโยมเนื้อมันจะตายแล้วเปล่าถ้าทําไงานแล้วไม่แต่งหน้าโดนเพศคนก็จะทําำไงฮะให้มันรูๆๆ้น่ารู้อะไรไปมัปนเปน็นกายเป็นสัตว์ประหลาดลไปแล้วแบบว่ไงผู้หญิงไม่ได้แต่งหน้าไงผู้หญิงนี่มีมีตรงเนี้ยนิดหนึ่งที่ยากท้าทายกว่านะครับอ่า <ะ S 2> เราก็เลยคิดว่าแต่ตาเราสกปรกก็ไปอย่างแล้วถ้าขี้ตาติดมีขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไออันนี้ก็ <ๆ S 1> ถ้าเขาจะว่าก็เป็นไรแต่ถ้าทําล้างหน้าล้างต า, งางสะอาดเรียบร้อยมันมันจะไปเสียหายตรงไหนไม่เสียหาย เ, หรเราไปคิดกันเองเราไปกลัวกันเองมากกว่าใช่คือเดิมแต่ก่อนโยงก็กังวลเรื่องนี้จนกระ ท, ทั่งตอนหลังคิดเออจริงๆเวลาคนเราไปงานเขาก็ไม่เคยเห็นเราแต่งหน้าในวันอืน่นๆคนเขาไม่เคยเจอเราอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้หน้าตา ย, ยัางไงนะมันแล้วก็ถามเราบอกขี้เกียจวันนี้ขี้เกียจแต่ง อยาจะอยู่แบบธรรมชาติหรือยงังองก็เลยเนี่ยก็เลยคิดว่าหลังออกบัตรสัตว์ค่อยไม่นั่นมากก็คงจะพยายามรักษาสีแปดไปทางดีนั้นตอนนี้เลยลติกนอนเเสือที่บางขึ้นเป <laughs> ็นตึงแล้วมไม่กลายเป็นปวดลัเพราะมันนิ่มเกินไปกันกนันพยายามรักษานะั้โดยเฉพาะถ้าเราต้องการปฏิบัติการถึงสีแปดนี่มันช่วยการปฏิบัติได้ แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติติสินแปก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่นอกจากผาข้ามจิตใจไม่ให้ไปเสพความสุขแต่สินแปดนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ให้ให้ให้เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติสมาธิอย่างเดียวเพราะเวลาเราจะได้มากขึ้นจากการไม่ติดกับแล้วก็ไม่มีอุปสรรคที่เดี๋ยวอยากจะดูหนังเด๋ยวยาคฟังเพลงมันก็จไม่มี ดูก็ดูไม่ได้ฟังเพลงก็ฟังไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะพรอาจารย์ก็ปฏิบัติบูชาเพื่อแสดงมุทิตาพระอาจารย์สําหรับวันวันเกินะ <laughs> โอเคมันเกิดนะโอเค<ง>มันแก่มันันทุกข์มันทุกข์มันแห่งความทุกข์ทุกขทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกได้ก็ทุกข์แสนทุกข์ลูกออกมาก็ร้องแวแวแหวว ทุกเหมือนกันเด็กเก่ามาต้องสองสารแม่ของเราคิดถึงวันเกิดนะั้นคิดถึงคุณแม่เพราะนแม่นั้นทุกท่านทุกข์กับเราแล้วก็พอเราจะออกมาอยู่ในโลกนี้ได้บุญ ค, คุณของท่านนี่ถึงนรสาพระเจ้าจบอกใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีหมดท่ใช่ค่ะอ่าบายค่อาจโอเคนะสาธุนะอ่าคุณจูบโกเบ การน้ำมันการท่าอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคฟังนะค่ะก็มาฟังทางค่ะโอเคปฏิบัติคนเดียวได้ใช่ไหมคนเดียวได้เจ้าค่ะโอเไม่ต้องไปออนไลน์เขาเนาะค่จาะประเทศนี้ต้องออนไลน์เพราะทาคนเดียวไม่ได้นอกจากเรามีของเก่าฟังอยู่ถ้ายากจะฟังของใหม่ของสวยก็ต้องเข้ามาร่วมกัน เจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาเจ้าคะ่ะที่นโมกอโมอคุณยายคุณยายสาบะเจาี้พาคุณยายมา ก, ากราฟ้าจารย์ตามปกติครับใครพาใครใครพาใครมาก็ทั้งคู่ช่วยกันจริ <c oughs> รงจริงต่างหา แตนไม่ว่าจะมาแฮปปี้โนเวอร์เดย์พระอาจารย์แ่พระอาจารย์สั่งห้ามไว้ก่อนก็เล <laughs> หมดหมดสคริปต์จะพูดแล้วครับว่า <laughs> ครับไม่มีคำถามครับมากับพระอาจารย์ครับผมการบ้านก็ไม่มี <laughs> การบ้านก็เหมือนเดิมครับผมพระอาจารย์ก็แต่ก็ยังเร่งความเพียรปฏิบัติในรูปแบบครับ <laughs> ครับโอเค ขอบคุณารถึงท่านอยู่เสมอค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคุณยายคุณคุณค่ะขอพระอาจารย์กลับไปพระอาจารย์ท่แข็งแรงค่ะคุณสุภาจากลับไปเท็กซัสแล้วเหรอกลับนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้ลูกอยู่เท็กซัสเจ้าค่ะพอดีวันนี้ลูกมีคำถามเลยเพราะว่าพอดีพูดกันเรื่องของ เวทนาเจ้าค่ะคือว่าลูกมีคำถามตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากฝึกเพราะว่าเราคิดว่าเราเรามองแล้วว่าไม่มีจความจำเป็นที่จะต้องแบบรักษาหรืออะไรเพราะว่าเราสามารถอยู่กับความเจ็บปวดได้ของร่างกาย่งเงี้ยอย่างบางทีลูกจะเลี่ยงการทานยาแก้ปวดแต่คนรอบข้างจะมองว่าเราเราขาดเหตุผลนะเจ้าค่ะคือเขาไม่ได้มองบของเราไม่เหมือนกัน w oh, your your reason and my reason is not the same. You have different <coughs> reason. t า e n we will do. No, because we w า l l look away. That we are like a person who is addicted, t h a า we don't want to take drugs. We don't want to take drugs. People who take drugs are more miserable. It's a big problem. Addiction is very d a e r o don't want to take d r คนอเมริกาท<ม>ี่ติดยากแก้ปวดกันเออค่ะเออค่ะแล้ไปเสพม อ, อ, พอ ร, อร์ฟีนโออย์ต่างต่างฝินนะยากแก้ปวดนั้นนะเออค่ะแล้วถ้าถ้าลูกบอกลูกบอกว่าลูกอยู่กับร่างกายที่มันปวดได้เพราะว่าอย่างตอนนี้คือเส้นประสาทของลูก อ, <ม>อักเสบเขาบอกว่าเราไม่เดือดร้อนนะคุณคุณยังมาเดือดร้อนแทนเราทำไมเราไม่เดือดร้อน <laughs> <ส>อลูกมองว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก็คือแค่รักษาร่างกายแล้วร่างกายเพื่อให้มันหายปวดคือลูกคิดว่าอยู่กับปวดได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกข์อะเจ้าค่ะแต่ว่าเขาเลยมองกันว่าทั้งครอบครัวแล้วก็สามีด้วยก็เลยมองว่าเรากลายเป็นคนไม่มีเหตุผลมันต้องรักษาให้หายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกล ก, ก็รักษาเงินก็รักษาเพียงแต่ไม่กินรักษาแบบไม่กินยาแล้วมันหายหรือเปล่ามันก็หายใช่ไหม ก็ลูกลูกไม่ทานยาแก้ปวดนะเจ้าค่ะมันก็มีปวดแต่ลูกก็รู้สึกว่าก็ก็เฉยกับมันไม่รู้สึกเดือดร้อนใช่ปะอนที่สมันหายไม่ใช่เลยตอนตอนนี้ก็ยังมีปวดบ้างอ่ะเจ้าค่ะก็เรื่อยๆเจ้าค่ะลูกไม่ได้ทานยาแล้วลูกก็ไม่อยากไม่อยากรักษาเพราะว่าหมายความว่าต้องไปทําตรวจคลื่นไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกว่ามันยุ่งยากเจ้าค่ะลูกเลยไม่อยากทํำแต่สามีเขาว่า ตัวของเร า, าชีวิตของเรานัจะไหาคนเดนเข้ามาวงการได้ยังไงเล่าค่ะเพราะลูกว่าลูกอยากฝึกอะเจ้าค่ะลูกว่ามัน ม, มันมันร่างกายที่พระอาจารย์บอกลูกอยากฝึกลูกไม่เห็นประโยชน์ของการรักษาอะเจ้าค่ะมทำไมไม่บอกเขามาบอกเราทําไมลูกอธิบายเขาแล้วแต่ว่าแต่เขาแต่ว่ากลายเป็นว่า บอหมอคนอื่นผขมองก็ลูกเป็นคนดือ้อเจ้าค่ะลูกก็เลยบอกยายจันทราจารว่าลูกควรจะทํายังไงดีลูกกันดื้อก็ดือ้อแต่ก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ดือ้อแต่ในทางคาเราไม่ได้ดือ้อใช่ไหมเจ้าค่ะใชเราไม่ได้ดือ้อแต่ในความความเห็นของเขาเขาว่าเราดือ้อแล้วก็ยอมรับคุณยายว่าเราดื้อแล้วก็ยอมรับเื้าค่ะถ้าอย่านั้นอยู่อยู่ทางโลกเราก็ต้อง เชื่เราถ้าถ้าเราต้องการฝึกเราก็ต้องยอมยอมดูยอมให้คนอนื่นเข้าใจว่าเราดูเหมือนไม่มีเหตุผลใช่ไหมเจ้าค่ะแน่นอยมันเพราะมันคนละคนละคนละทางกันเนะ่ทางของเขาเป็นทางที่ต้อง พ, งพึ่งนู่นพุ่งนี่ทางของเราคือ ah um, อัตตาหิอัโนนาถึตตนเป็นที่พึ่งของตอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ S <S ค่ะก็ค่ะเด็กพระพุทเจ้าพระลงพยาาลหรือเปล่าพระเจ้ามีไปฉีดยาไปอะไรบรือเ่าใช่กใช้ธรรมะโอสดได้เจ้าค่ะลูกลูกลูกชอบใช้ธรรมะโอสถมากกว่าเจ้าลู ก, ลกรู้สึกว่ามันมันเป็นบททดสอบที่ดีถ้าอะไรเข้ามาเจ้าค่ะลูกลูกชอบตรงนั้นมากกว่า ก็เดี๋ยวจะลองลองดูเจ้าค่ะว่าค่อยค่อยค่อยค่อยพูดไปเราเลยดูกลายเหมือนเราเป็นคนแบบเอยเจ้าค่ะเจ้าค่ะพรอาจารย์กขอบคุณอยู่กับคนหลายคนก็ก็หน่อยเจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะต้องจะน้อมนำสั่งสอนเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะสาธ คนที่กล <Article> ังบานต้องอยู่ก่าคนอื่นแล้วคนอื่นเข้ามาบงการชีวิตของเราพอเราไม่ทำตามเขาเขาก็หาว่าเราดื้อก็เขาเขาไม่เข้าใจบางคือยากที่จะทําให้ใครเข้าใจในทางที่เราเราปฏิบัติแตะเจ้าค่ะเขาจะมองว่าในเมื่อไม่สบายก็ต้องรักษาแต่เรามองว่ามันไม่ได้ถึงขนาดขั้นที่จะต้องรักษาเจ้าค่ะเราอยู่ กับมันได้ลูกคิดว่าลูกก็เลยไม่คิดว่าไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะก็เลยมองต่างกันพออยู่กับหลายๆคนมันเลยทําให้เราการฝึกของเรามันสื่อมานแบบอื่นแล้วก็ขาดประสาทไปไมประสาทําให้เจ้าค่ะพระน้าเห็นใจพรเจ้าถึงบอกว่าอย่าไปอยู่กับคนง้อให้อยู่กับคนชรานถ้าไปอยู่กับพระเพื่อพระพุทธเจ้าพระลานทั้งหมดดีดีสาธุ แต่บางค น, นงอบางคนยอบอกจะต้องรักษาอย่างเดียวนะค่ะมันบอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นโชคถ้าเราได้มีโอกาสาได้ฝึกเหมือนอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องนั่งรอให้มันต้องเจบ็บมันมาของมันเองก็ดีเหมือนกันเพราะบางทีต้องนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อเพื่อฝึกให้มันให้ถึงขั้นเจ็บนะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าการที่เราอยู่การฝึกแบบ น, นี้ยมันสวนทางกับกับ คนส่วนใหญ่ที่เราอยู่ด้วยอ่ะเจ้าคะ่ะก็เลยบาง<ม>ทีก็ลำบากใจที่จะที่จะทําให้เขาอยู่กันยังไงที่แบบว่าอยู่กับคนอื่นให้เราแบบสามารถอยู่กันได้อะะ่ะเจ้าค่ะโดยที่ไม่กระทบกระเทือนกันอะไรเงี้ยเจ้าค่ะตรงนี้ลูกว่าลำบากใจอะะ่ะเจ้าค่ะลำบากใจกว่าการปวดของร่างกายเยอะเลยเจ้าค่ะรู้สึกว่าแบบที่จะต้องอยู่กับคนอื่นเจ้าค่ะนั่นแหละทาไมพ ร, าพระพาริยะทั้งหลายท่านถึงไม่ค่อยมีถ้าไม่อยู่กับใครท่านไปบวชกันทั้งนั้น พอพอบรรลุเป็นพระอาจารตอนเป็นคารวะเขาของพระพุทธเจ้าบวชนะอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยก่ออยู่กับพระสงค์นี่วมาอยู่กับพวกบุตรชนมันก็อย่างเงี้ยต้องมันไปกดละแนวไปกนละทางมันนะเขากอดรัดร่างกายไว้ยังไงก็ต้องมารักษาให้มันหายเราเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์พละฮวเวอยากจะให้มันตายซ้มากกว่า ก็ค่ะส่วนทางกันก็เลยแบบมันการอยู่ด้วยกันก็เลยแบบเออเราก็รู้ก็เลยคิดอแล้วก็งั้นก็ทําไปเรื่อยๆแต่เขาอยากให้รักษาก็รักษาไปเพื่อรักษาอะไรอะความอยู่ด้วยกันให้มันราบลื่นน่ะเจ้าค่ะ้เราปฏิเสธมากเขาก็เป็นทุกข์มากเราก็เรารู้ตัวว่าเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เราก็โอเคเจ้าค่ะก็เลยแบบ เรื่องลำบากใจตรงตรงที่อยู่กับผู้อื่นเนี้ยแหละพวกเขาลำบากใจกับร่าังกาเท่าไหร่เนอะค่ะโอเคแล้วฝากอาจารย์กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะรูน้องนาคำสั่งสอนเสมอเจ้าค่ะอาจัรยีค่ะหมอภาษนากทธรรมอค่ะกล่าวนามัสการพระอาจารย์ค่ะก็ว่าส่งข้อสอบแบบพระอาจารย์เล่บเวทนาเหมือนกันแต่เป็นเรื่อง ตาค่ะก็คราวนี้คราวนี้พกดาบสติปัญญาณนะพระอาจารย์ก็เข้าไปคราวนี้ก็ไม่กลัวอะไรก็คือเฉยๆแล้วก็ไปก็เห็นว่าแสงก็เป็นแสงก็เป็นเป็นแบบว่าไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มันธรรมชาติ้ตาเราเองก็ไม่เที่ยมันก็เลยไม่มันก็เลยหมอเขาสอนว่าก็เลยเฉยเลยพระอาจารย์ใจก็ยังนิ่งไม่มีปัญหาอะไร่อาจารย์รู้สึกขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้ผ่านได้นะพระอาจารย์อืก็ยังสงบใจยังสงบได้อแล้วแล้วก็ ใช้แบบที่พระอาจารย์บอกให้ค่อยค่อยฟังแล้วค่อยคยสังเกตนะคะพระอาจารย์ก็ใช้คือแบบว่าพอทั้งทั้งวันเนี่ยพยายามที่เรียกว่ า, าใช้สติปัญญาค่ะใช้ดาบดูแล้วก็ใช้ดาบสติปัญญาตลอดแล้วก็นั่งสมาธิได้ก็นั่งค่ะพระอาจารย์แล้ว <c oughs> พี่หนุ่มก็พี่หนุ่มเองก็ถือศีลแปดได้แบบได้ทุกทุกอันพุทธนะอย่างดีแล้วแล้วก็ศีลแปดไม่ไม่ไม่บกพร่องพระอาจารย์ก็ยังถือต่อแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆ่ยยเพิ่มวัน คุณพ่อก็คุณพ่อเองก็แบบว่าเริ่มตั้งใจในการฝึกเ อ, อตอนเช้ากับตอนเย็นนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ค่อยๆทากันถ้าเราเป็นตัวอย่างของเขาไงงานทาแล้วก็เห็นดีขเขาก็อยังทําตามเขาคงเห็นว่ามีความสุขทั้งวันคือ <c oughs> รู้สึกเลยว่าพระอาจารย์เขาต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้คําว่าฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงอ่ะเออแบบมันได้สัมพันธ์นะพระอาจารย์แต่ค่อยๆทำมาเรื่อยๆพระอาจารย์คือเขาใจตรงนี้จริงๆแล้วแต่ก่อนนี้ ก่อนนี้อ่านอ่านแล้วก็เออเพ้ออะไรว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าใจอ่ะพระอาจารย์ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะพระอาจารย์อ่าด yeah, mm ูดิโอเคนะมีเทานี้นะมีเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยว oh. หนังสือได้แล้วนะคะหนังสือทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดได้วันนี้ได้วันพรุ่งนี้พอดีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยว <Okay. S 2> จะพาคุณพ่อไปถวายพระอาจารย์แต่คงไม่ได้ไปพรุ่งนี้นะพระอาจารย์เพราะว่าม mm ัน hmm. ต้องึไปพุ่งนี่ไปไม่ได้เดี๋ยวไปวันหลังพระอาจารย์อ่าด <Yeah. S 2> mm ูด hmm. ิขอบคุณครับไปทีอาจารย์สายทิพย ขแก่นนะกลับในมรดกการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขนแก่นเจ้าค่ะอนันนี้ได้ฟังข้อความที่ที่พระอาจารย์ได้ได้ได้ตอบของกัลยาณมิตรแล้วแล้วก็ได้สติค่ะพระอาจารย์ในเรื่องของอที่จิตของของพระอาหารหันต์ที่ปรับเป็นเหมือนใบบัว ก็คือไม่ก็คือสัมผัสแต่ว่าไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วก็คือเราจิดเราอ่าคิดเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ว่าเออถ้าเกิดเราจะเกษียณแล้วเราสมมติเราเกษียณสักห้าสิบห้าแล้วออกมาแต่ละวันเราจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนเวลาแล้วก็คิดไม่ออกว่าเออถ้าเราจะปฏิบัติแล้วเราอยู่แบบแบบปุถุชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วว่าก็คือ ก็คือสติสมาธิแล้วก็ให้เข้าอุเบกขาแล้วก็เหมือนแบบใช้ปัญญาก็ก็ก็ทําไปน่าจะจะได้เมื่อวันเมื่อกี้ค่ะพระอาจารย์หนูหนูเริ่มเห็นแล้วว่าจิตมันจิตที่คิดเนี่ยมันทําให้ทุกข์แล้วก็ถ้าเราไม่คิดเลยมันเข้าสมาธิได้ง่าย <c oughs> แล้วก็หนูจะเห็นตอนที่จิตจิตไม่คิดเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันจะเข้า เข้าได้แล้วก็มองเห็นตอนที่ที่เราไม่คิดด้วยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าก็จะเห็นตอนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คิดปุ๊บหลุดหลุดปั๊บเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะพอรู้ทันก็หยุดมันใหม่พอมันคิดแล้วก็หยุดมันได้ค่ะมันมันตอนนี้หนูหนูเริ่มเริ่มเห็นเห็นเห็นแล้วค่ะว่าจะเข้าสมาธิได้ยังไงค่ะไม่คิดเข้าใจเข้าใจคำว่าสติแลนะคนบางคนก็ไม่เข้าใจสติกับสมาธิว่าตัวไหนเป็นตัวไหน มัคนควนคิดว่าสมาธิเป็นเหตุให้เกิดสติไม่ใช่มันสติสตเป็นตัวที่ทําให้เกิดสมาธิหนูเพิ่งเห็นชัดๆเมื่อว่านั่งนั่งตอนนี้เลยค่ะอาจารย์ที่นั่งแล้วก็มันก็แบบเหมือนเข้าไปเข้าสมาธิได้ตื่นๆนะคะอาจารย์เห็ น, นตอนที่แบบจิตไม่คิดเลยก็อย่างงี้นเองอค่ะช่วงเมื่อกี้น่าจะคิดเยอะอค่ะอาจารย์ แล้วก็ ม, มีช่วงตื่นเช้ามาค่ะพระอาจารย์บางทีเราง่วงๆแต่ว่าใจพอมันคิดเรื่องของการพัดพลาดปุ๊บมันตื่นทุบเลยค่ะพระอาจารย์แบบตกใจเมื่อเราคิดถึงเรื่องการพัดพลาดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์น <N' ha. S 1> ่าจะยังตรงนี้น่าจะกัน่าจะกลัวหรือกังวลใจอยู่ค่ะยังยังปล่อยไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้เหมืรับไม่ได้ยังร่ะด้แบบ ง, ง่วงตื่นทุกทุกรอบที่คิดเรื่องนี้เลยค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบมันตกใจแล้วก็ ตื่นล้วก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติค <laughs> <ะ S 1> ่ะตาจารย์ตอนนี้เห็นเห็นความสำคัญของสติกับสมาธิมากๆแล้วค่ะในวันนี้เข้าใจแล้วค่ะขอบคุมากมาก่อนปัญญาค่อยทีหลังตอนนี้เรามีเยอะนะแต่เราใช้ไม่ใช้ไม่ได้ไม่มีกำลังที่เอาปัญญามาใช้ฆ่ากิเลส ตอนนี้หนูห น, หนูหนูเห็นเห็นเห็นและะ้วค่ะเห็นความสำคัญแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติสมาธิสติให้มากๆขึ้นคะ่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์คะหนูขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้เบิร์เดย์พอาจารย์นะค ะ, ะหนูขอคุณพ่อไปอยู่บ้านสวนคุณพ่ออนุญาตแต่ว่ายังไม่ได้ไปนะคะพระอาจารย์บอกว่าสลับกันที่อยู่คนเดียวค่ะบอกให้คุณพ่อมาเป้าบ้านบ้านนี้หนูจะไปอยู่ตรงนู้นแทนพอก็ อนุญาตแล้วโอเคได้ค่ะเดี๋ยวถ้าหนูมีวันว่างที่จะไปอยู่ได้สักวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะปฏิบัติแล้วก็อยู่ตรงตรงนู้นเลยค่ะีเดี๋ยวจะลองดูค่ะพระอาจารย์โอเคประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์สาธุด่ะสาธุดไปที่เออเอคนณิสากลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ วันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์เข้ามาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์สงบดีนะใจสงบค่ะก็เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นใบบัวหรือเป็นประดาษซับกระดาษซึมเป็นใบบัวค่ะก็เก็บเล็กเก็บผสมน้อยไปค่ะคานิกะก็เอาค่ะตอนนี้ก็หวังว่าถ้าได้คานิกะไปเรื่อยๆมันน่าจะไปมันน่าจะไปอัปปนาใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ ได้ถ้าฝึกสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะนั่งได้นานสงบได้งานานขึ้นในหมายมันก็สงบได้แป๊บเดียวคันที่กาก็แวบมือเอาสติมีกําลังมากขึ้นมันก็จะสงบได้นานขึ้นไปเรียกว่าอัปนานพระอาจารย์ต้องมีสักวันค่ะอาจารย์อความพยายามเยอะนะความสําำเสมออย่างนั้นนะค่ะอาจารย์พรุ่งนี้พระอาจารย์มินทบาทคงได้ขนมเค้กเยอะเลยใช่ไหมคะ กงไม่รู้เหมือนกันแต่มีญาติยมที่เคยมาที่ศาลาเขาก็จะมานะทุกปีอ๋อเคยนำบ<ม>ไหมคะว่าได้กี่กี่เทกีอ่อันไม่ได้นำบแล้วมันก็ร้ายอยันสิบกว่าใช่ไหนลูกเห็นคนลงไอจีอแล้วคะ่ะลงในเฟซเขาทำเค้กให้พระชาติแล้วคะ่ะ <laughs> ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์น้อมนาปฏิบัติค่ะปฏิบัติบูชาค่ะพระอาจารย์คาะสาธุค่ะแทนแข็งแรงนะคะปฏิบัติบูชาไปก็แล้วกันนะค่ะอันนี้คุณหมอสุทัศนีปฐุมธานีคุณหมอโรคภัยแค่เจ็บเป็นยังไงเพาะเดือสิงหาคมเป็ยังไงอยู่ป่าตรงตัวเจ้าค่ะ ลงตัวนะใจก็ไม่เดือดร้อนนะ่เดือดร้นะอนเลยค่ะอ่อยู่กับมันไปมันมั น, ม, นมันเกิดมาแล้วก็ต้องเจอมันนะโอเคไม่มีอะไรนะโอเคไหมที่คุณโอโอภูเก็ตคุณโอได้ยินไหมคุณโอ นักมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าได้ยินชัดเจนว่ามาเลยพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเกือบจะโดนกิเลสตอกแล้วหรือเปกไม่แน่ใจเจ้าค่ะกล่ว่าจะถามกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าพอดีว่าท้องของลูกอะปรับได้แล้วเรื่องทานข้าวมือเดียวอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ว่าน้ําหนักอะไปเหลืออยู่ที่สามสิบเก้าสี่สิบอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าจะกลับมาบางวันอาจจะทานสองมื้อ แต่เป็นก่อนเที่ยงวันนี้จะโดนกินเล็กรอไม่เจ้ก็มื้อเดียวมื้อเดียวกินสองเท่าไปก็ได้ถ้าอยากจะคริ่มน้ำหนักอย่าไปถูกกิเลสหลอให้กินสองกอกินสองกินสองมื้อในเวลาเดียวกันไม่ได้เติมน้ํามันทีเดียวมันก็เติมมันเต็มถังไปเลยก็ได้แต่มันต้องแบ่งเป็นกัดกินเลสเนี่ยแหละมันอยากกินสองมื้อถ้าทำมากินมื้อเดียวทุดงวดอกขาพหลวงพ่อฉันมื้อเดียว ราคาน้ำหนักน้อยก็กินให้มันมากขึ้นหน่อยๆเลยกินจานหนึงไม่มันก็เพิ่งเคกินจานหนึ่งก็กินเป็นสองจานไปถ้าเท่านั้นแหละจะเป็นตอนมันต้องแบ่งเป็นสองมื้อทำไมใช่ค่ะจารย์มือเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมอะจะให้เก่งตลอดนะมือเดียวมันเก่งนะกือเลียมัน เต่งเวมันมีลูกเล่าลูกเล่าเราอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวถ้าช่วงปลายเดือนเจ้าค่ะพอาจารย์ลูกจะกลับน้านไม่แน่ใจว่าพอกลับไปน้านแล้วเนี่ยที่บ้านเขาจะเข้าใจเรื่องนี้หรือเปลูกไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าค่ะเดี๋ยวมันเรื่องของเขาเลยถ้าไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาเลยถ้าไม่ถ้าไม่ศึกษาธรรมะเขาก็ไม่เข้าใจนถ้าคนถ้าคนศึกษาธรรมะเข้าเข้าใจคนไม่ศึกษาเขาก็ไม่เข้าใจเจ้าค่ะ แต่ลูกแฮปปี้กับการทานวิดีโอมากเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะมันเบาไปหมดทุกอย่างเลยเจ้าค่ะร่างกายมันก็เบาเลยแต่แกไปหนักเพราะว่าเรากินวิดียอแต่กินเยอะอะไรอย่างเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์น้อมนำปฏิบัติยังปฏิบัติบูชาเหมือนเดิมเจ้าค่ะอขอพระอาจารย์ที่น่าแข็งแรงเจ้าค่ะถ้าขออะไรก็ขอไม่กับวันเกิดเหนกันขอบคุณพระอาจารยบุคคพระอาจารย์ มึงก้าวได้กินเก่งเนี่ยมึกมกมรก้าวชลาธานีนมึงก้านี่น้ำหนักไ ม, ไม่ไม่ลดเลยรมีแต่เพิ่มนะได้ยินไหมครับรได้ยินได้ยินชัดเจนเปลี่ยนอันนี้นะน้ําหนักเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับก็ปฏิบัติก็ไม่ไม่ไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ครับแต่ว่าอาศัยฟังธรรมแล้วเข้าใจธรรมะแล้วก็ได้ได้นาง ทำที่ตอนบ่ายฝั่งมาไปใช้ไปใช้กับคนกับเหตุการณ์ที่เราต้องเจอเพราะว่าบางทีเราก็เจอลูกค้าเยอะลูกค้าแบบหรือว่าแบบเจอคนที่แบบมาอยากมีผลประโยชน์กับเราด้วยอะไรเงี้ยครับบางทีเราไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับเขาเราก็ขอพูดกับเขาตรงเขาโกรธมาก็มีครับแต่เราก็ทำใจว่าเออเราไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ไม่มีสันเสอร์นินทางเป็นธรรมดาคนที่ได้ประโยชน์เขาก็ชมเราคนที่เสียประโยชน์เขาก็เขาก็ดา่าเราเยอะๆครับแล้วก็ถ้าเราทํางานโด ด, ดโดดเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยคนอื่นก็ก็จะมองเราอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับในในกลุ่มเพื่อนในที่เป็นร้านด้วยกัน ก, ก็ก็มีครับมีทมมั้งรุ่นพามาสนใจเขาเนี่ยสนใจตัวเรา <c oughs> เราก็สนใจตัวเราเราก็พัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆใช่เมืนนานจิตตังไปแ่ไม่ไม่ไม่ไม่คม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมรไม่ไม่ไมรไม่ไม่อม่ไม่ไม่ัม่ไม่ไม่ม่ไม่าม่ไม่ไม่ไม่ม่นม่ไม่าม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมอไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ยม่าม่ไม่ไมกไม่ไม่ไมันม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมกไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไม่ ไม่ถึงกับสุขแต่ก็ไม่ได้ทุกครับคือดึงมาไว้ตรงกลางนะครับก็มีความสุขพอประมาณครับนี่ต่อทาต่อไปนะทำ ต, ต่อไปแเปดี๋ยวเาประดัผมมีเรื่องลึกลับเยอะเยอะเลยครับแล้วก็มีเรื่องขมเรื่องที่แบบคาใจมานานแล้วผมเห็นพวกเพื่อนผมหรือว่าเขาชอบสร้างเจดีกันะครับแล้วเขาเอาของไปใส่เจดีทํทำนู่นทำนี่ เป็นร้อยเป็นพันเป็นเป็นร้อยอะครับผมอยากทราบว่าอ๋อมันได้อ น, นิสงส์เรื่องความศักดิอย่างเดียวหรือว่ามันได้บุญอย่างอื่นด้วยครับพระพุทธเจ้าเคยสร้างเจดียหรือเปล่าไมนน่พระพุทธเจ้าตัดสั้เพราะท่านเจดียหรือเปล่ามันไม่มีใครมาฟังนล้นะอแล้วไปสร้างเจดีย์ทไมก็มีแต่ไปตอบสร้างกันแบบอาจจะออกมานั่งธรรมะอะไรแนวนี้แบบศึกษากายเวทนาจิตทํามันไม่มีเลย อ, อ่นะครับว่าอาวิสบูชาอาวิสบูชาอาวิสบูช า, ชาแล้วพวกเราพวกปฏิบัติบูชาไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปสร้างเจดีสร้างโบสถ์สร้างอะไรเราไม่ต้องคล้อยตามใช่ไหมครับอ่าเราสร้า ง, ารา ง, งพระอริยกระผมปฏิบัติบูชาสร้างแต่พระอะไรเงะได้ผมก็รักษาศีลแข็งแต่ ง, งมั่นคงแล้วก็คอยสอดจองอยู่ตลอดเวลาครับครับปฏิบัติบูชาครับขอพระอาจารย์ทักขัน ครับใท่จาธุดาครับขอได้แต่มันจะให้เราในป่ามันอีกเรื่องถ้าขอได้ก็อยู่กันเป็นร้อยปีพันปีอะไรขอขอขอไม่ขอขอไม่ขาไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ถ้าถ้าถ้ายงถ้าเราคือผมไม่ชอบความทุกข์ผมว่ารู้สึกว่าความทุกข์อะ มันสอนอะไรเวลาเรามีปัญหาเนี้ยคือเรามีธรรมะที่อาจารย์สอนใช่ไหมเราเอาธรรมะเนี้ยมาแก้ความทุกข์พอมันทุกข์หายเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนใจเราสาดขึ้นไปเรื่อยๆครับอ่าก็ไดีเท่านั้นแหละครับโอเคครับส<ต>าธุอ่าที่คุณมาลีวุฒาการก็อทอมฮอลล์ถามหลวงพ่อค่ะอืมเป็นยังไงก็ยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิม ด, ดีดีขึ้นเยอะแยะเลยค่ะหลวงพ่อมีความสุขดีค่ะ อ, อมีความสุขเลยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทําอะไรนะทําอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้เห็น อ, อ, อะไรมันก็รู้สึกดีไปหมดเลยค่ะหลวงพ่ออยากอยากช่วยคนอยากอยากเหมือนแบบให้สิ่งดีๆกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเนี่ปรารถนาดีก็เรียกว่าความเมตตาหลวงพ่ออืม แต่ก็อย่าอย่าลืมอย่าไปปรารถนาจนกระทั่งลืมตัวเราอย่าลืมตัวเราอย่าลืมรักษาใจเราตัวเราถ้ามีเจ้ามีเหตุจาเป็นเมาเจอกันก็ให้ความปรารถนาดีเขาได้แต่เราไม่เจอใครก็อย่าไปอย่าไปอะไรสายอย่าไปแส่อย่าไปยุ่งอยู่ของเราไปชี้ไป มีเด็คนถามว่าหายไปไหนอะไรอย่างเงี้คยค่ะหลงพ่อหายไปไหนมนาะเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนถามแล้วที่บ้านเขาบอกว่าเขาไม่อยู่เขาไปปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกไม่มีไม่มีพ่อแม่พี่น้องไม่มีลูกขัวเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตัดขาดไม่ติดต่อกับใครเลยเลยนะคะหลวงพ่อไม่ตัดชั่วครัวไม่ได้ตัดตลอดเนี่ยนี่เขาเรียวกว่ากลับมาต่อแล้วบอกเขาเนี <c oughs> เขาบอกว่าไม่ ไม่มีการโทรหาไม่อะไรเลยคือเหมือนหายไปจากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหายไปเลยไม่ ต, ตอดอิดต่อใครเลยแลหนูก็ภาวนาว่าอย่ามีใครมาลบมากรูเลยหนูขออะไรเงี้ยค่ะหลวงพเพราะว่ามันจะขัดจังหวะในการที่เรามาปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วกลับมาก็มันก็มีมีแรงเพิ่มมากกว่าเดิมค่ะหลว่อมันมีใจที่จดจ่อแล้วก็มีใจตั้งใจเพิ่มเข้าไปอีก ยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งมีพลังมากขึ้นไปเรื่อยๆถ่าหลวงพ่อก็จะพยายามไปอีกเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อพยายามให้เยอะให้เยะโอเคไม่อะไรไหมพผู้ ง, งนี้วันลคล้ายวันเกิดหลวงพ่อแต่แล้วของหนูวันวันอาทิตย์ถ้าหลวงพ่อเดือนเดียวกับหลวงพ่อเดือนเดียวกันใช่กันนะสามทาง ตามหลวงพ่อมาห่างห่างสองรอบยี่สิบหกปียี่สิบยี่ห้าปียังตามหลวงพ่อมาตามแต่จริงไม่อยากมามีความคิดมาตั้งแต่เด็กว่ามาม า, มาทำไมมาเกิดทำไมไม่อยากมาอมาเพราะความหลงตอนนี้เรารูาา้แล้วว่าการมาเกิดไม่ดีเราก็หยุดมันเท่านั้นเองพวกเราทุกคนนี้มาเกิดนี้เพราความหลงพามาเพโอเคว่าการมาเกิดแล้วเราจะมีความสุขกัน จะได้ไปหาราบนวดสารเสริฟหาลูกเสียงกินรวดอืมครัมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขค่ะแล้วถ้าเรานึกถึงว่าเราเราต้องกลับมาเอ่อค่ะหลือว่ามันเหมือนต้องเป็นวงเรียนต้องเป็นเริ่มต้นใหม่ต้องมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อยาอ<ะ>ให้มันจบมาเลยเมื่อ ร, รู้ว่าเห็นวิธีที่มันจะกลับมาเป็นไงแล้ว ก, ก็สกัดมันเลยใช่กา ง, งานด้วยจส ก, กัดด้วยมากเลย สินสมาธิปัญญาสกัดไม่ไม่รักษาสินแต่นั่งสมาธิเจริญปัญญามันก็จะสะกัดการกรรมมาเกิดได้ให้ตัวที่ฟ้าเรามาเกิดก็คือความอยากนี่ทุกทั้งที่อยากอะไรที่ไม่จาเป็นก็ต้องตัดมันอยากในสิ่งจำเป็นนรืออยากในธรรมะอย่างเดียวยากได้หรออยาก เวลาถึงเวลาต้องกินก็ต้องกินยังไม่เป็นไรเวลาไม่มีเวลากินไม่ไม่ใช่เวลาจะกินแล้วก็อยากกินนี้ไม่ก็ไม่ควรที่จะกินนะา่ไหมค่ะคือถ้าถ้ามีความอยากในเรื่องการปฏิบัติให้ให้มากกว่าเดิมให้เพิ่มกว่าเดิมอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรเป็นธรรมะเป็นมารเป็นจานท่าวิริยะพออยากเราจะได้ทําให้เราขยันปฏิบัติมากขึ้น แต่ถ้าอยากไปเที่ยวอยากจะไม่มีแฟนเ น, นี่ยนันเนี่ยเป็นกิเลสผมไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นนะคะหลวงพราะตั้งแต่กลับมามันมีความคิดเหมือนว่าอืถ้าไปอยากยุ่งอยากยุ่งกับเรืองรูปเสียงกินรสต่างๆเนี่ยเป็นกิเลเท่างนั้นนะมันเหมือนมันมันอยากถอยออกจากสิ่งพวกนี้ออกไปอะคอ่ะหลวงพมันเหมือนไม่อยากวุ้นวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องแล้ว อันนี้หนูก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะหลวงพ่อก็จะตั้งใจปฏิบัติต่อไปอีกพยายามรักษาระดับที่เราปฏิบัติได้มาไว้อย่างนีคะหล่อหลวงพ่อขออีกนิดค่ะหลวงหลวงพ่อค้าไม้ไม้ที่ถวายไปค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อต้องยืนยืนทั้งองค์นะคะบนนั้นนะคะแล้ว <Okay. S 2> แต่ว่าเกาะเกาะด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวจะลมลง ม, มายืนยืนเพื่อให้น้ําหนักอยู่ตรงกลาง สักหนึ่งสองสนาทีเท่าที่หลวงพ่อจะพอรับไหวแล้วก็ลงมาเดินปกติแล้วก็พยายามทำแบบนี้ค่ามันจะช่วยคลายเส้นยืดเส้นที่เท้าที่ที่เขาที่หลังอะไรอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อน่าจะสาธุจะจะสาธุะนะคะหลวงพ่อกราบขอบคุณค่ะสาธุค่ะในที่คุณนไม่น้องม่น้องเหลนม่น้องเหินเนคุณแม่ เชื่อมเชื่อมเสียงกไม่ยิน ไ, ไม่พูดหรอกเขาเชื่อมเสียงกันทหดีนะโอเคครับเปิดได้ดาา เ, ไเลยเสียงค่อยเลก่อนแล้พูดดังๆเลยค่อยมากคอา่อยนาอาังล้วง้พรพระาอะ า, ะ า, ะาะอะจารย์ออนดังดังละพูดได้เลย เสียงมันจะจาให้หายสัญญาณไม่ผ่านเเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมพูดไปเลยอย่างพูดอะไรพูดไปเลยอ๋อม็คำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์เสียงมันสะท้อนมันจะจา้หาย จเจ้าค่ะพระจักรลองไปก่อนแล้วกันเนะี่มันพูดกันไม่รู้เรื่องเรื่องลองเข้ามามใหม่เดมเจ้าค่ะไม่ช่เป็นปัญหาพี่นะจะเป็นสัญญาของเราที่บ้านใช้อะไรใช่วฟายเปล่ามใช่ ไ, ไ, ฟ ไ, ฟไม่ไมจเจ้าค่ะพระจักรค่ะตอนนี้ชนนมีปัญหาเอา้าไม่เปิีน่นา ระบบมีปัญหาเจับอืมต้องต้องต้องปิดที่ขาบเวว้าก่อนนะผมเห็นคุณอยู่ในขับเท้าด้วยนะฮะต้อ ง, ต, องต้องปิดที่ขาบเวว้าก่อนนะเราถึงจะกลับเข้ามาทางเราได้ครับ อ, อม่ต้องไมัน้องที่ยากสัญญาณเงี้ก็ได้ไ <ป S 2> น้องนันปิดที่นั่นอ่าเป็นตัแมนหมดเลยอันนี้ก็ปิดไปด้วยหายไปเลยโอเคไปที่คุณแดนต่อเนี้ย แน่นคุณ อ, อกก้อมวันพอไปคุณ อ, อกก้ยังไงวันก่อน้านั่งสมาธิฝนตกสนุกไหมสนุกค่ะคิดว่าจะได้นั่งสมาธิซะแล้วแต่แต่ฝนอยู่ตกข้าจา์ก็เลยได้แสดงถึงแต่ว่าก็มีเสียงฟ้าร้องตลอดเวลาก็ดีตกก่อนก่อนที่เราจะเริ่มกันนะเมื่อไหรค่ะ วันนี้ก็มาฟังธรรมไม่มีคำถามค่พระอาจารย์โอเคปฏิบัติต่อไปหายกลัวแล้วใช่ไหมค่ะแต่ก็ต้องไปพ่สูจนอาชุภาเหมือนที่ท่านพระอาจารย์พูดออย่างนี้ไปเล่าดูนะเออไปไปดูไปดูชื่อวัดมาแล้วที่จังหวัดกาลสินนะคะวัดปา่าเอ่อวัดชีลาว่าอืมวันนี้เขาก็มีอาจารย์ใหญ่ให้นั่งด้วยนะคะค่ะ ก็ดีอาจารย์อยู่ในวัดค่ะก็ต้องไว้พิสูจน์ด้ยกลัวว่าไม่กลัวใช่ใช่ค่ะต้องได้ทุกรูปแบบค่ะเราเท่ากันเราก็เหมือนกันทำไมเราไม่กลัวตัวอาจารย์ใหญ่ของเราไม่กลัวอาจารย์ใหญ่ของคนอื่นทำไมค่ะใช่ไหมค่ะเดียวกันเขาก็มีอาการา32เราก็มีอาการา32ไม่กลัวอะไรค่ะ เขาแค่ไม่มีผู้รู้เขาไม่มีผู้รู้ไม่มีจิตเท่านั้นใช่ไหมใช่ลองนั้นก็นเหมือนกันหมดเนะยผมกองเ้าเนแล้วก็มีผมเขาก็มีผมค่ะอืมเคเราไม่พิสูจน์ดูค่ะปัญญาปัญญาเราจะเร็วกว่ากิเลสหรือเปล่าแล้วกิเลสจะเร็วกว่าปัญญาต้องให้ไปสู้กันดูใช่ไหมคะอืม ถ้าปัญญาไม่ทันก็เอาพุทโธก่อนเอาช่เอาสติก่อนก็ได้พุทโธพุทโธอย่าไปคิดค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะนงแนนน้องนจะนอนท่านนี้กาค่ะพระอาจารย์มาล้วงคามถามค่ะโอเคเหมือนเดิมนี่ขำถามค่ะอเคปัญญาเราที่ว่ากุมาอันี้ลูกสาไปอยู่เลย นมัส ก, การค่ะอาจารย์อโยมอยู่ที่ร้านค่ะอาจารย์ได้ยินโยมใช่ไหมคะชัดเนจนชัดเจนค่ะคือโยมจะรายงานว่าโยมออกพรรษามาแล้วศีลแปดโยมก็ยังรู้สึกเสียดายค่ะก็เลยคิดว่าจะรักษาต่อที่แรกก็กะว่าจะมีการผ่อนปลนเป็นสองมือ้อแต่เมื่อกี้อาจารย์คุยกับน้องอีกคนนึงรู้สึกกระดุ้งเหมือนกันค่ะเคงจะคงเขคงจะเอาแบบเดิละค่ะตอนแรกกะ จะผนปลนตัวเองสักหน่อย<ช>เอาเป็นสองมือ<ช>้อแต่ว่าเอ า, เอามื้อเดียวก็ได้ค่ะจา<ช>้ะ <ๆ S 2> กิลเลนกิเลนไม่มีเข้าพรรษาออกพราาพพพรษาแล่วกิเลนเนื่องการปฏิบัติแล้วก็ยักออกพรรษามันก็ํางไม่ปฏิบัติไม่ได้ค<ช>ือพอทํามาแล้วหนึ่งหนึ่งพรรษ า, ารู้สึกเสียดายที่จะกลับมาใช้แช <ๆ S 2> บบปินห้าเหมือนเดิมก็เลยเอาต่อก็ได้ค<ช>่งะงก็ทำมาได้สองสามเดือนแ้วทำไจะทําต่อไปไม่ได้ ใค่ะที่แรกก็กล่าวว่าจะผ่อนปลนสักเอาเป็นสองมือสักหน่อยแต่ว่า<ม>พอฟังปุ๊บสะดุ้งเลยค่ะนั่งนั่งถาตัวเองว่าคงไ ม, คงไม่คงไม่เอาแล้วละค่ะ<ม>นี่ค่ะท่านี้โยมมีเรื่องเรื่องอยากจะสอบถามพระอาจารย์นะคะคือเมื่อวานเนี้ยค่ะโยมไปเดินรอบสนามตอนประมาณหกหกโมงเย็นถึงทุ่มอ่ะประมาณนั้นที่แรกกล่ว่าจะเดินสักห้ารอบค่ะก็ะพอเดินไปประมาณสักรอบที่สามความคิดมันเริ่มเข้ามาบ้างแต่ ความพูดของอาจารย์บอกว่าก็ทิ้งมันไปสิมันกลับเข้ามายมก็เลยเดินเดินไปพอเข้ารอบที่สี่ที่ห้ามันไม่มีอาการที่ว่ามันจะหยุดนะคะอาจารย์มันเดินเดินรักษาเหมือนกับว่าเราดูหุ่นยนต์เดินหรือว่าตุ๊กตาไขลานเดินนะคะเขาเดินเขาเดินโยมใช้คําว่าเขาเดินนะคะว่ารักษาจังหวะฝีเท้าสม่ําเสมอความคิดก็เริ่มมีน้อยลงแล้วยมก็ลองดูซิเขาจะเดินกี่รอบ พอรอบที่ห้าก็ยังเดินแบบเดิมโยมก็ปล่อยจนกระทั่งมาถึงรอบที่แปดที่เก้าค่ะพอเริ่มมีความคิดมาปุ๊บเหมือนกับถูกดึงกลับเข้ามาโดยอัตโนมัติโดยที่โยมไม่ได้บงการอะไรเขาเลยนะคะ mm. เขาเป็นเหมือนกับอีกคนนึงแล้วยมดูอีกคนนึงเดินนะคะ mm. แล้วก็พอเดินไปแล้วแ ล, วแลว้ลมหายใจเราก็ไม่มีอาการเหนื่อยหอบมันก็ไม่มีเหนื่อยอะไรก็ไม่มีโยมใช้ดูเงาที่เดินเพราะมันพบมันขํามเลยค่ะทุ่งกว่า แล้วก็พอมีเริ่มมีวัยรุ่นมานั่งเริ่มกลัวแต่บอกว่าจะกลัวอะไรมันมีคําตอบขึ้นมาจะกลัวอะไรก็เดินไปก้าวแล้วค่ะก้าวรอบพราะรอบที่สิบจนกระทั่งถึงประมาณห้าสิบเมตรจะถึงรอบที่สิบเขาก็เดินไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะคะโยมบอกว่าดาวได้แล้วจะหยุดแล้วเขาถึงได้ได้ผ่อนลงอาการแบบนี้มันคือการเข้าผวังหรือว่าโยมหลุดออกไปข้างนอกอะคะก็การที่เรามีสติ์สักแต่ว่ารลุย ไในใบปงแต่งใบกับมันดูมันไปแสดงว่าได้ใช่ไหมคะอ่าเนี่ยแสดงว่าใจเราเป็นนูเบคา้า ค, คือมันเหมือนกับว่าเราดูไม่ไม่เห็นตัวเราเองนะคะจารย์มันแค่ดูต่อแล้วยมแ่นไปที่เหงาแล้วก็ที่เท้าแต่ว่าตอนพอคิดเอ้าแล้วเราอยู่ตรงไหนก็ดูไปเดินดูแต่คือมันน่าแปลกใ จ, จที่ว่าเหมือนเราดูตุ๊กตาไขลานเดินนะคะอจานใช่ก็ตั ว, ตวที่ตัวที่ดูตุ๊กตาแล้วก็คือเรา อ๋อค่ะคือเดินจังหวัดสม่ำเสมอ น, นะคะไม่มีเสียงลงมหายใจเหนื่อยหอบสิบ<ม>รอบแล้วพอยมบอกว่าจะดาวแล้วนะก็เดินผ<ม>่อนลงแล้วก็ยมก็มาวอร์มดาวออกค่ะ<ม>ก็มีความรู้สึกไม่มีอาการเหนื่อยนะคะจันไม่เหนื่อยไม่อะไรยงค<ม>ิดว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าก็มัมนจะิตมันสงบมืนันไม่รู้เสร็จอะไรกับ เ, เรื่องของร่างกายร่างกายก็เดินไปมีกำลังเดินอย่างสบาย สิบรอบค่ะจารย์ไม่มีอะไรไปเินดลยรู้สึกถ้าโยมไม่สั่งเขายังคงเดินต่อโยมกลับว่าจะลองดูว่าเขาจะเดินได้แค่ไหนแต่มันดึกแล้วค่ำกว่าแล้วอยมก็เลยออกออกมาครับอ่าถ้าเราทําแบบต่อได้ใช่ไหมคะใช่ยิ่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีถ้าแสดงว่ญญาจิตพอมันสงบแล้วมันจะมีพลังมันจะไม่ค่อยทุกข์กับการการเจ็บปวดหรือการเมื่อยล้าของร่าง ก, กายมันก็ไม่มีเลยค่ะอื อ๋อค่ะแล้วก็พอมันนั่งมันก็ก็ดีนะคะนั่งนั่งก็รู้สึกว่าอย่างที่เมื่อก่อนนี้จะนั่งแล้วก็มันจะไปตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขกับการนั่งค่ะอาจารย์ออืรู้สึกดีค่ะอาจารย์นะค่ะมีมากมีมากสาธุค่ะค่ะตอนนี้โยมมาคล้องใจเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์โดยที่ว่าอุปนิสัยของโยมโยมจะเป็นคนที่ทําอะไรเร็ว มันเหมือนกับเราขาดการสํารวมในขณ ะ, ะที่รุ่นน้องอีกคนหนึ่งเขาไปฝึกแบบยกมือขึ้นใส่ปากเขาช้าไปหมดเลยโยมต้องเปลี่ยนเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าคพหรือว่าเราเป็นตัวของเราปกติแบบนี้เป็นปกติก็พอให้มันทัน ก, กิเลสเราไม่ต้องการที่จะทําให้มันช้าหรอกที่มันช้าเพราะเราสติเรายังไม่ดีก็เลยให้ฝึกช้าๆไปก่อนแต่ถ้าเราทันแล้วเราก็ไม่ต้องมาฝึกช้าๆ แต่พอตอนนี้เหมือนก็พอเดินแล้วมันมีความสุขกับการเดินรู้สึกว่าจะไปเดินอีกนะแต่วันนี้ฝนตกไม่ได้เลยก็เลยไม่ไปนะแล้วก็เห็นก้วยก็ดีแต่ก็ต้องมีนั่งด้วยอย่างดีกว่านั่ง น, <ช>นั่นนนงจะสงบมากกว่าใช่ค่ะตอนนี้คือพอเดินเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านทําอาบน้ําอะไรก็สวดมนต์แล้วก็นั่งปฏิบัติมันนั่งได้ดีขึ้นค่ะอาจารย์แล้วก็นั่งแบบมันจะรวมมันก็เป็นคณิกาพระเช้ามันเสร็จนะคะจารย์ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะมัน มันมาแป๊บๆยมก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ยมไปเมื่อวันออกพรรษายมก็ไปทําบุญบนวัดที่เขาสุขิลินค่ะแล้วก็นั่งฟังธรรมมันมีอาการเหมือนกับมันรวมแล้วก็มันก็ออกมาฟังตอบแล้วก็มันรวมมันเป็นแบบนี้เป็ น, เ ป, นเป็นช่วงๆค่ะอาจารย์ยืมก็ว่ า, ามันก็น่าจะได้ใช่ไหมค ะ, ะถูทค่ะ<น>แล้วก็ค่ะ มีมีลูกค้ามาซื้อดอกไม้ที่ร้านค่ะเขาบอกว่าพอเข้าใกล้โยมเนี่ยคนลุกและปวดหัวไปหมดเลยในตัวพี่มีตัวอะไรอยู่ในตัวหรือเปล่าโยมก็อะไรนะขประมาณนั้นค่ะอาจารย์อ่าเนื่องความรู้สึกของเขาไม่เกี่ยวนะ่าไรรอกอใช่ไหมคะ่ะตดทูขจารุ่งนี้โยมจะตั้งใจปฏิบัติบูชาค่ะพระอ า, ข า, ขาจารย์เพราะอาจารย์ห้ามหาโยพรโยมจะตั้ง ขาอาจารย์ใช่บูชาทุกวันเลยไม่ต้องถอดห่อพวกนี้วันเดียวบูชาทุกวันค่ะอาจารย์ยกมาว่าบูชาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พรุ่งนี้จะตั้งใจปฏิบัติถวายครูบาอาจารย์ขาอาจารย์อย่างเดียใช่ตาธุขาอาจารย์อ่าธุแปลว่าโยกผ่านใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าผ่านไม่ผ่านก็ต้องตอบคำถามด้วยตัวของตัวเราเอง ยมดีใจค่ะอาจารย์ยมรู้สึกยมดีใจค่ะอาจารย์แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอย่าไปดีใจกับมันเยอะประมาณนั้นค่ะถ้าเราไม่ทุกข์กัอะไรแล้วก็ผ่านถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ผ่านไม่เลยค่ะอาจารย์ตอนนี้รู้สึกดีขนาดบอกว่าเดินพอสักทุ่ม ก, กว่านี่มีวยรุ่นมายืนริมสนัมอื้อชะงักนิดนึงกลัวอะไรอะ่ะกลัวอะไรอะ่ะมันมาถามแบบนั้นแต่ไม่ได้ท้าทายเลยอาจารย์แต่ก็ยังเดินต่อไปค่ะเดินแบบดีแต่ทุกข์แค่ อ, อไปนี่คุณสันนี่ตาสันนี่เปิ่งเข้าการนัดมาสการค่ะพระอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมค่ะโอเคสาธุไปคุณมาริกาเพื่อนคุณอุษายไงไงคุณมาริการเดินได้ป่ะยังินมันมีคุณอุษาได้ป่าวมัส ก, การจบค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้พนดเร็วหน่อยค่อยไปหน่อย ค่อยเป็นเค่ะออกมาเก่งยอค่อยๆค่อยให้แนงกว่านี้ได้ยินไหมคะอ่าได้ยินแลอ่าออกมเก่งกายังอยู่บ้านแม่เลยครับเจ้าค่ะพระอาาอ่าอยู่กับไม่อย MM ู่นะค่ะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยสบายแล้วก็ต้องมาช่วยแม่ทํางานค่ะพระอาจารานะคะพระอาจารย์ก็เป็นการต่อบตแทนบุญคุณของคุณแม่ อ, อบุญคุณมากใช้เท่าไรก็ไม่มีวันหมดค่ะผูาจา้จัดก็ก็ยงังฟังธรรมประจําแล้วก็ยังน้อมนําคําสอนของผูาจารย์นั้นมาปฏิบัติเองนะคะเป็นพุทธคุคชาส่วนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของลูกนั้นก็ก็ได้เอาคําสอนของพผู้จารย์นั้นแหละนะคะแล้วก็ก็มาพิ จ, จารณาใจตรองให้เห็นว่าความจริง ของชีวิตก็มันก็มีทุกข์กสุขดังนั้นทุกก็เอาความทุกข์แล้วก็ความสุขที่ได้เจอในชีวิตประจําวันนั้นก็มาไต่ตรองดูนะคะว่าให้เกิดความจริงในชีวิตแล้วก็ก็มันมีความสุขขึ้นค่ะอาจารย์จากที่ว่าเราพอใจเราอยู่ทุกข์ทุกยากยากก็มันก็ดีขึ้นเช่นกนอาจารวันนี้มีคำถามนะโอเคสาวตื้ แบบที่คุณหน่อยพยายานิดกนารมาราชการพระอาจารย์เจ้าค่ะมามามีอะไรว่า า, า, าพระอาจารย์เจ้าค่ะสิงแปดที่ให้นอนอที่พื้นหรือที่ฟูกฟูกหนาได้ไม่เกินกี่เซนค่ะไหม่ๆอย่าไม่ใช้ฟูกเลยเหล่ะปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อเนี่ยจะได้หมดปัญหาไป เจ็บชายโครงนะค่ะก็เลยอยากจะทราบว่ามันจะสูงได้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวปวดขาด้วยไม่รู้แล้วหน้าตักกิเลสทั้งกิเลสน้องกลางมันก็สูงถ้ากิเ ล, เลนน้อยมันก็มันก็ไม่สูงที่จริงหน่อยก็นอนผ้าอยู่นั่นเจ้าค่ะก็เจ็บขาก็บางทีตื่นมาชาไปทั้งตัวเจ้าค่ะเหมือนคงยังไม่เกี่ยวกับเรื่องที่นอนต้อมันจะเป็นอะไรอย่างอืนหร พระอาจารย์ <LAUGHTER> เป็นอย่างนี้ออหน่อยจะม้ตกจริตนะคะหาว่าตัวเองป่วยอีกลองดูก่อนเลยลองดูนอนดูนอนูปูได้ผ้าด้วยเสือก็พอปูผ้าธรรมดาเนี่ยจ้ะคะ่ะนอนก็เลยพอปูที่นอนเนี่ยเอามาอกจากฟูกแล้วมาปูกับเพื่อนก็ได้ หรือเตียงถ้าเอาเอาฟูออกได้ก็นอนันเตีเอนอนพื้นที่ลองลองฟูกทีนึงจ้าค่ะพระอารย์จ้าค่ะพรุ่งนี้วันเกิดพระอาจาอ่าไม่ได้อวยพ ร, รขอพรแทนได้ไหมจ้าค่ะอขออะไรลนะ่ะอยากถูกลงวันที่หนึ่งจ้าค่ ะ, ะ, ะวันนี้ก็ออกแล้วไม่ใช่ ถูกอ่ากูก็แทงใหม่ท่าก็ถูกก็แทงใหม่เรืเร่อยๆต้องตามใช่ไหมล่ะคะ ร, ราะว่าอ่าค่ะสักเมื่อพอหน่อยคิดไปเงินที่หน่อยเสียไปมันเยอะมากแลนั่ยาบจำมุนไม่ดีกว่าทำมุนได้ในในความสุขมากกว่าเจ้าค่ะเคยอ่าตอนช่วงเดือนเกิด่ะเจ้าค่ะให้เงินแม่ไปรู้สึก อาทิตย์นั้นอนะที่ให้แบบมีความสุขทั้งอาทิตย์เลยก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะทาไมแปลกจังคือแบบสังเกตอาการตัวเองแลเจ้าคะ่ะว่าทําไมถึงมีความสุขอะไรได้ขนาดนี้เจ้าคะ่ะใช่เพราะบุญมันเป็นอย่างเนี้ยบุญมันจะอยู่กับใจเราไปนานตายไปมันก็ยังอยู่กับเราอยู่มันก็นจะพาเราไปสวรรค์นะคะได้แค่อาทิตเดียวแล้วนะคะแสดงว่าต้องให้เยอะอๆใช่ไัมเจ้าคะ่ะก็ให้บ่อยๆ เออพ่ออาจารย์คะเราที่บอกว่าพ่ออาจารย์บอกว่าอ่าถ้าทําบุญเกี่ยวกับอะไรสร้างสมมุติว่าอย่างระบุแบบไปได้ไหมเจ้าคะว่าอย่างเราสร้างทําบุญสร้างพระสุเมนุอันที่คนได้ใช้สร้างโรงพยาบาลช่วยโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์แพทย์หรือไม่ก็โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหมืนอนกันเราเป็นการทําบุญเหมือนกันอย่างนี้น ก็จะได้ประโยชน์มากใช่ไหมคะคะมากกว่ากได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยบุญก็คือใจเราก็มีความสุขคนรับของเราก็จะได้ประโยชน์เจ้าค่ะทีจริงอ่าบางคีไหนว่าจะถามพระอาจารย์แล้วคะ่ะเพราะว่าไหนเป็นคนคิดมากว่าคือแบบอาจจะเป็นเพราะว่าคิดเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่าต้องทําบุญอันที่คนได้ประโยชน์สูงสุดอะไรเงี้ยพวกวัตถุนิยมอะไรอย่างเงี้ยแบบเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยไหนไม่ค่อย อยากจะทามันเองเนี่ยก็เลยมองว่าตัวเองเป็นคนคิดมากไปก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเป็นทางนี้ก็ได้อยู่ใช่ไหมเจ้าคะได้ก็คนจะทาให้กาดประโยชน์กับคนที่เขารับของเขาไปนะน้ำเงินได้เ<ป>จ้าคะา ก, ก็ไปซื้อว่าถุมงคลมาก็คนขายก็ได้ประโยชน์เจ้าคะอันนี้ก็ไม่เป็นการทำบุญเป็นการซื้อขายไป ก็ลาของกลับมาเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะอันนี้ไม่ไดม่เรียกว่าเป็นการทําบุญไม่เหมือนเราไปร้านเซเวแล้วก็อให้เงนินกลัแล้วก็ของออกจากร้านมา ใ, นะใช่ไหะไปซืว่าจุมงคลก็เหมือนกับไปร้านเซเว่ น, นไม่ได้บุญนะเจ้าค่ะก็พยายามไม่ยึดติดอะไรทางนั้นจะค่ะแต่ก็มีติดเที่ยวอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องลดลง ก็นี่ก็ลดลงเยอะแล้วนะคะเราจะลดลงอีกจกะค่ะพยายามทำไปเรื่อยค่ะวันนี้ <Okay. S 2> ไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่มีราคาโอเคสาธุอ่จาร่์คุณปุ้ยจากรักสำรวจถามนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าไม่เป็นไ ค, คุณปุ้ยสบายดีค่ะ คนคุ้ยไม่มีปัญหาแต่ว่ายุ่งปฏิบัติแล้วก็ยุ่งเอกสารพอดีโยมก็มีราบปานหนึ่งลงตามมหาบัวมาเขาหัวเลยมีราบอันนี้ถูกปิดังไว้ไม่เท่าไหร่เลยอาจารย์ทำบุญหมดเลยทำบุญหมดเลยไม่เอาไว้เลยพอดีโยมก็ ไปนอกยมก็เขาเพื่อนเขามาขอให้ซื้อก็ซื้อซื้ อ, อ, อ, อ, อตามไปโยมก็ดีใจแล้วก็แตก็ไม่ได้เอาอะไรเก็บเอาไว้นะเราก็ทำบุญไปหมดเลยโยมยังไม่โวยพรพระอา จ, จารย์วันนี้นะเพราะว่าพลังเขาบอกให้โวยพรพรุ่งนี้ ยอมน้อมนําบุญกุศลทั้งสิ้นทั้งหลายที่ยมประพฤติปฏิบัติดีถือศีลแปถือศีลเจ็ดมาตลอดพรรษาแล้ะก็จะกระทําต่อไปยมน้อมถวายกับพระอาจารย์และที่โยมก็คิดว่ายมคงจะต้องถือศีลต่อไปค่ะเพราะว่ายมรู้สึกมันดีการที่ไม่กินข้าวเย็นแล้วก็พระอาจารย์อย่าเพิ่งโปรธยมนะเพราะว่าบางทียมต้องสือเป็นศีลเจ็ดเพราะว่ามันต้องมีเกินการเข้าไปติดจอ หลายๆองค์การอย่างเงี้ยค่ะและโยมก็ตอนนี้ก็เดือนผู้จัด ก, การเนี้ยกลางๆางเดือนโยมจะไปเรียนต่อด้วยนะ ะ, mm. ะเรียนทางภาษาค่ะไแต่ว่าจริงหนึ่งที่โยมจัดการเวลาไม่ให้ตัวเองขี้เกียจไม่ให้ตัวเองเอเอละศีลเพราะโยมจะใช้การตื่นรู้ในการขุดตัวเองขึ้นมาจากความขี้เกียจแข่งขันกับตัวเอง โยมก็หลังจากฝันแล้วโยมนึกขึ้นมาได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าเราต้องไม่ขี้เกียจโยมก็เลยไปเอาแอไอ้ตัวนี้มามานั่งพุโทโธพุดโธพุโทโธดูให้ตั้งจิตว่าในหนึ่งวันเนี้ยเราจะต้องทำให้ได้สองพันสองร้อยยี่สิบสองเรา ท, ท่องให้ได้ทีนี้จะให้โยมมันท่องและจดโยมท่องจดโยมทำไม่ได้โยมก็เลยทำแอด้วยตัวอัวตโนมัติอย่างเนี้ยคะนะเพราะว่าโยมจะดูซิว่า โยมจะทําได้ไหมเพราะว่ามันจะได้ค่ากิเลสไปเพราะไอ้เรื่องเที่ยวเรื่องอะไรในโะยมตัดไปได้หมดแล้วมันจะเหลือแต่เฉพาะว่าบางทีจิตนะ่ะอาจารย์เวลาบางวันเนี่ยที่โยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนจิตมันไมค่ค่อยจะนิ่งอะฮะเหมือนเหมือนจิตโยมเนี่ยจะแบบเหมือนจะไหลออกมาอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เลยเอพยายามจะให้จิตโยมเนี่ยเข้าที่เข้าทาง ให้มันขับมันนิ่งๆ น, นะคะไม่ไม่ขี้เกียจให้ตื่ น, นรู้อะคะ่ะก็ต้องขยานพุโทโธด้วยเป็นรู้เฉยๆใช่ใช่ใ่ใช่ยงก็เลยซื้อไอ้นี่มามานั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธตลอดไม่ว่าไม่ไม่ไม่ให้คิดเพราะว่าเราไม่ได้มีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาจิตเราให้นิ่งๆ น, งนะคะ พระอาจารย์โยมเอยากจะมาขอบพระคุณพระอาจารย์กับขอบพระคุณพระอาจารย์เพราะยมนําคําสอนของพระอาจารยนะ์มาใช้ทุกวันเลยมอง mm. เวลาโยมมันจะประพฤติไม่ดีนะยมจะคิดถึงพระอาจารย์เลย mm hmm. นะฮะค่ะโยมขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยมจะเข้าไปเขียนอวยพรค่ะอ่าสาธุจ้ะขอให้ยมก็มีความสุขความสบายอ่ให้มีงานใช้ตลอดชีวิตนะ สาธุค่ะโยม อ, อยากจะสร้างโรงเจ เ, เลยสร้างเล ย, ยจะได้ขอให้ได้ดังใจใหมายทุกประการสาธุพระอาจารย์กรบขอบพระคุณเจ้า้ า, าไปที่พัทยาคุณตายน้อมกราบนมสัส ก, การค่ะพระอาจารย์เป็นไงวันก่อนมาใส่บานได้นะก็วันก่อน ได้คระอาจารย์ก็ออกภรษาก็มามาร่วมทำบุญกับพระอาจารย์นะคะครับปกติหนูก็ทำอยู่เรื่อยๆแต่ก็ก็พยายามถ้าถ้าไปได้ก็อยากไปอะค่ะแมาจย์แต่ยมโยไม่ค่อยไหวกับเรื่องห้องน้ำเนี่ยนะคะช่วงนี้ผ่านัแกก็จะมีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำบ่อยบ่อยจนตัวเขาเองลำคานหนูก็ก็ทนไปบอกทนไปก่อน เดี๋ยวก็อาคจะดูขึ้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มาร่วมฟังธรรมค่ะโอเคพยายามฝึกสตินั่งสมาธิบ้างนะนิ่งหนาก็ยังดีเจ้าค่ะอาจารย์อืค่ะคุณวิไลพรคุณหญิงขอบพระสการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์คะเอ่อ นี่โยมฟังเรื่องเรื่องเรื่องเวทนาค่ะพระอาจารย์อย่างนี้โยมมันน่าจะทําผิดแน่เลยค่ะเหมือนกับว่าตอนนี้ค่ะพระอาจารย์โยมหญิงเหมือนกับว่าเจ็บเขา่าแล้วเจ็บหลังคือเจ็บหลังมาสามปีแล้วใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้โยมหนก็เลยไปฝังเข็มแล้วตอนนี้หมอเขาก็เลยบอกว่าห้ามนั่งห้ามนั่งเทียบห้ามนั่งขัดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังโยมหนิก็เลยเหมือนกับว่ า, าซื้อที่นั่งอัศนะแคล้ายๆของพระอาจารย์อะคะ่ะม า, ม า, ม, ามานั่งแล้ว ก็ทำสมาธิบนนั้นก็ผิดใช่ไหมคะอย่างนี้โยมหนูก็ต้องฝืนเจ็บก็ต้องเจ็บไปใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ค่แต่ว่าเราฝืนได้ไหมถ้าเรากำลังยังไม่มีพอก็ก็อย่าเพิ่งไปฝืนมันมันเป็นขั้นตอนฝืนได้ถ้าอยู่ฝืนได้แล้วก็ฝืนไปถ้าฝืนไปไม่ได้ก็อย่าไปฝืน อ๋อค่ะโยมก็เลยมีความคิดว่าเหมือนกับว่าถ้าเรารักษาธาตุขันธ์ของเด็เอาไว้ก็เหมือนกับว่าก็ให้เราได้ทําความดีต่อไปเรื่อยๆพระอาจารย์โยมก็เลยแต่พอโยมมาฟังพระย์บอกเอ้าอย่างนี้เราก็ทําผิดงั้นเราก็ต้องเราก็ต้องนั่งนั่งนั่งขัดตมะแต่ค่ะนั่งนั่งนั่งปกตินั่งพับเทียบสวดมนุษย์ค่ะอ่าถ้านั่งได้ก็นั่งนั่งตามปกติไปถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ต้องปรับไปตามตาเหตุการณ์ อ๋อเหมือนก็ว่าสหลังสหลังก็ดูกเหมือนก็ว่าเขาคตรอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็หมอเขาก็เลยบอกว่าห้ามนั่งพับเทียรมัน ม, มันจะแบบคตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอ<ม>ืโยมโยมก็เลยเออโยมก็เลยแบบซื้อที่นั่งแบบว่าให้ให้ตัวเรานั่งนั่งสูงสูงหน่อยละครับนั่งกาบสมาธิก็ได้นั่งกับสมาธิมันก็จะไม่เอวไม่งั้นนั่งตรงค่ะพระอาจารย์แล้วอีกเรื่องหนึ่งจาค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพวกนิยมจะจ ะ, จะนําลูกน้องจะจะพาลูกน้องอะค่ะพระอาจารย์เหมือนกับลูกน้องอะ เขาเขาไม่ไม่รู้หนังสือพระอาจารย์แล้วเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับเมื่อเมื่อเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์เขาเหมือนกับว่าเขาเขานอนเขานอนแล้วเขาบอกว่าเขากําลังรู้สึกตัวอยู่เนี่ยนะคะเขาก็ได้ยินเสียงเสียงคนเรียกเขาแล้วเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาอะจิตออกไปเหมือนกับเขา เขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขาก็กลับไปบ้านแล้วเขาก็เหมือนก็ต้องไป ท, ทําพิธีเรียกเรียกขวัญกลับแล้วเขาก็ไม่เคยสวดมนต์เขาก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์โยมพผ่งนิยมก็เลยจะชวนเขาไปตัก บ, บาตรกับพระอาจารย์แล้วก็โยมโยมก็สอนเขาบอกว่าใครถ้าเกิดเราไม่เคยสวดมนต์ก็เอาแค่พุทโธธรรมโม ส, สังโฆพอพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมโมนึกถึงธรรมะสังโฆก็นึกถึงพระพิถะ ที่ที่ที่มาสอนอะไอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เขาจัดหลักธรรมแค่นั้นพอใช่ไหมคะเวลาเขาเกิดอะไรขึ้นมาเขาได้จับแค่พุทโวธโมสังโคแค่นี้ก็พอใช่ไหมเจ้าค่ะได้อันนี้ก็พอก็ได้งั้นเดี๋ยวพรนิยมพาเขาไปกราบพระอาจารย์เพราะเขาบอกว่าเขาเขาไม่รู้หนังสือเขาไม่เคยสมมึงก็ไม่เคยอะไรเลอเจ้าค่ะอืมอ่ะฝากฝากพระอาจารย์เอ่อให้ให้ให้ให้ขวัญเขานิดหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์อืมค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่งโยมก็ ก็นั่งเอ่อนั่งสมาธิคัตมาร์ต่อไปเจ้าค่ะจ <Yeah, okay. S 2> ้าโอเคสาธุค่ะพระอาจารย์ที่คุณบางอน้นคุณบางอน้น อ, อยู่ที่ไหนอ่าด ไ, ไนทึกการจากคุณบางอน้นสวัสดีค่ะโอเคอยู่ที่ไหนจ้าสมุทรสาครคะ่ะพระอาจารย์อ่านี่นเป็นครั้งแรกที่เข้ามาในซูมค่ะอ่า uh. <laughs> จะแบบ ตอนแรกก็ทําไม่เป็นแต่ก็ลองคํคๆเข้ามาค่ะอ่าคือหนูฟังพระอาจารย์มาแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาเดือนนี้ก็ประมาณเดือนที่สามอ่าคือมีคำถามรู้สึกว่าตอนช่วงที่เริ่มปฏิบัติอะคะ่ะเ็เหมือนความทุกข์นำพาเข้ามาให้รู้สึกว่าเราอยากจะสลัดทุกไปแต่พอด้วยเวลามันผ่านไปความทุกข์ก็เบาบางลงแต่ทีนี้นพอปฏิบัติไปมันเริ่มมีความ เพียร น, น้อยลงอ่ะค่ะความเพียร น, น้อยลงแล้วก็มันเกิดความแบบเหมือนไม่มาไม่ไปค่ะเฉยเฉยแล้วก็ต้องใช้ก็ยังทำอยู่นะคะคือยังยังทานอยู่ทุกวันยังฟังธรรมอยู่ยังภาวนาอยู่แต่ว่ามันไม่มีความสดใหม่เหมือนช่วงแรกๆที่อยากจะละดูป่ะค่ะแล้วก็ต้องกระตุ้นมาเลยบางทีเดี๋ยวต้องเจ็บอย่นันนะมันไม่ใช่เจ็บคนเดียวนะเจ็บไข้เจ็บป่วยเนี่ยมันกจะกลับมาอีก เดี๋ยวความตายมันก็จะใกล้เข้ามาเยอะเลยก็กิดขว่ายิ่งพอไม่มีความทุกข์เข้ามาชีวิตแบบราบรียนนิ่งรู้สึกว่าก็ก็ไม่ก็ไม่ไมกระตดดนนุ้นอีกวแล้วก็ต้องกระตุ้นไหมครับว่ามันเป็นเป็นของชั่วข้าวนะอันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเจ็บอยูแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องตายนะมันจะได้เว่าเราต้องประมาทไม่ได้ต้องทําต่อไป ทาความเพลันย่อหย่อนก็ต้องคิดถึงความตายคิดถึงคาเจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังจะต้องมาอยู่แน่นอนแล้วตอนนั้นเราจะทำได้หรือเปล่าถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนอตอนนี้อย่าประมาท ร, ร, รีบฝึกไปเรื่อยๆก่อนทำต่อไปอวันนี้ก็ก็ขเข้ามาเพื่อฟังทําด้วยค่ะโอเค ค่ะไม่มีแล้วแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากคร่ะสาธุสาธุค่ะอาจารย์ที่คุณอู้ต่ออู้อยู่ที่ไหนครับผมกับนวัตการครับอาจารย์อยู่ชนบุรีแยกอ่างศิลาครับผมมีอะไรไหม ครับผมพอดีจ ะ, ะสอบถามพระอาจารย์ครับเรื่องของการปฏิบัติธรรมครับผมผมนั่งนั่งสมาธิครับผม ก, ก็คือผมฟังเทศฟังธรรมของพระอาจารย์มาตลอดผมปฏิบัติมาก็คือหลายปีแล้วนะครับผมก็คืออยากสอบถามว่าผมนั่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่พระอาจารย์เทศสอนนะครับเรื่องของการตกกลุ่มตกบ่อครับผมเป็นถึงสามสี่ครั้งนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับ มันยังติดอยู่ตรงนี้อยู่อะครับมันเป็นข้อสาเหตุที่ว่าอทําน้อยไปหรือเปล่าครับก็เวลามันตกลมดอกมันเนิ่งก็ให้มันนิ่นไปนานๆเพิ่งเลิกเนี่ยแต่มันเหมือนกับการที่จะถอดออกมาหรือเมื่อมันมันมันตกใจอะครับแต่ว่ามันก็มีสติอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการง่วงนอนนะครับผมแต่เหมือนมันมันเหมือนกับการที่ติดอยู่อย่างนี้อยู่ประมาณสามสี่ครั้งแล้วครับผมเป็นยังไงเป็นเป็นแบบไหน ตกหลุมตกบ่อแล้วมันก un anyway. ็คือถอนออกมาเลยครับผมเออล้วก็ต้องกลับเข้าไปใหม่เลยกลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมครับเอากลับเข้าไปใหม่ครับผมพยายามให้กลับเข้าไปให้มันอยู่นิ่งๆนานๆนั่งให้ได้เป็นชั่วโมงเลยครับผมอ่านักสมาธิต้องนั่งให้นานๆให้สงบนานๆครับยิ่งนานนานก็แสดงว่าเรายิ่งก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับผม S <S ครับผมแล้วก็ความสงบมันจะมีอยู่สองอย่างใช่ไหมครับความสงบหมายถึงว่าเมื่อเรานั่งสมาธิแต่ว่าเมื่อเสียงเข้ามารบกวนเนี่ยมันก็คือเราก็คือไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกนะครั บ, รบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตลงรวมแต่ว่าก็คือไม่รับไม่ได้ยินเสียงภายนอกอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต<ร>้องมันมีสองระดับลงแบบ ร, บรับรู้อยู่แต่ใจไม่มวุ่นวายไปกับสิ่งที่รับรู้ แล้วลงไปว่าไม่มีอะไรหรับรู้เลยแสดงว่าถ้าสมมตินในกรณีจิตเป็นสมาธิแต่ว่ายังได้รับเสียงอยู่ตรงนั้นก็คือแต่แสดงว่าจิตยังไม่ลงรวมไหมครับผมก็รวมแต่รวมแบบว่าไม่ได้ไม่ได้รวมแบบเต็มที่รวมแบบว่ายัางรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่จิตก็ไม่ไปทุกข์กับมันเฉยๆครับผมไม่เบคค่ะครับผมแล้วเอ่อ การที่ผมใช้อคําบริกรรมพุดธโธพูดเข้าโทรออกอนี่นครับผมอ่าเมื่อลมมันละเอียดละเอียดไปแล้วไปเข้าไปเรื่อยๆครับคําบริกรรมพุทธโธเนี่ยคือมันจะหายไปด้วยไหมครับผมก็อยู่ที่เราถ้าเราพูเราไม่หยุดมันก็ไม่หายแต่ถ้าลงรวมลงอลงรวมเป็นสมาธิก็คือว่าอ<ม>ลงรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือจะหายไปเลยทั้งลมทั้งพูดธโธใช่ไหมครับผมใช่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ครับผมโอเคนะบวกครับผมบวกกำลังนะครับผมพยายามให้มันรวมบ่อยๆรวมแล้วก็ให้มันอยู่นานๆครับผมถ้ามันออกมาแล้วเอาเก่าเข้าไปใหม่อย่าพิ่งเลิกครับผมแต่มันชอบมันมันชอบอ่ถอนหรือว่าสะดุ้งตกใจออกมาครับผมจะติดแล้วหมดกําลังเกอต้องพุทโธเข้ามาพุทเข้าทโธออกมา ครับผมจะผมก็ใช้อพุทโธพุทโธ ท, ท่องอยู่อา่าตลอดเท่าที่ทําได้มากที่สุด<ป>ทั้งวันนะครับผมได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ครับผมพยายามผลักไปเรื่อยๆนะครับผมนนะครับผมอขอบคุณครับผมอส า, าธุครับผมไปที่คุณจา่าต่อจ่าคอนเนอร์ออริน ธรรมศสการ์ค่ะพระอาจารย์มันยังไม่คักไม่มีอะไรค่ะวันนี้มาร่วมฟังครรด้วยเฉยๆโอเคอันนี้กี่โมงมาที่พอดนะตอนนี้เหรอคะอ่ะเจ็ดเอ่อเจ็ดมงสี่สิบหกค่ะ 7.46 มสี่อาวใช่เ็หรือแปอะไรนะคะเจ็ดหรือแปดเจ็ดนะเจ็ดค่ะเจ็ดโอเคพะอาจารย์เดี๋ยวหนูขอโทษ หนูออนุญาหนุนเนขึ้นมาได้อย่างหนึ่งที่หนูอยากถามค่ะเรื่องของแต่แต่หนูเคยคุยกับเพื่อนเรื่องว่าเขาถามว่าเราเออเรามีความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ hmm. ที่นี้หนูมีความรู้สึกว่าคือหนูก็ได้ยินในการเทศที่บอกว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาก็จะไม่รู้สึกถึง ความสำคัญของการทาบุญแล้วก็ไม่รู้สึกถึงโทษของการทาบาปแต่ทีนี้หนูรู้สึกว่าแล้วถ้ามันเป็นคนที่เห็นว่าโอเคการทาบุญคือการกระทำของเราสร้างกรรมซึ่งกรรมนี้มันส่งผลระยะยาวเช่นแบบคนที่ you know, อินประธานาธิบดีที่ตัดสินตัดสินให้ประเทศออกสงครามอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็คือการกระทำนั้นมันก็สืบผลมาจนบัดนี้เพราะฉะนั้น มันก็สำหรับหนูก็เลยรู้สึกว่าบุญบาปมันมีให้เห็นอยู่ต่อให้คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องการเกิดก็ตามเพราะฉะนั้นก็คื อ, อยังไงก็ควรจะต้องทำดีอยู่แต่ว่าในการอธิบายแง่ของการกลับมาเกิดอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะสามารถเข้าใจได้ยังไงอดหรือว่าอธิบายได้ยังไงว่าถ้าเมื่อวินาทีที่หมอตัดสินแล้วว่าเออเนี่ยลมหายใจหมดถือว่า คนคนนี้ตายแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าการที่ร่างกายดับเนี่ยจิตมันมันจะมันจะดับไปด้วยตามร่างกายหรือว่ามันจะลอยไปเหมือนอย่างที่พุทธศาสนาพูดมันก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับจิตก็ยังอยู่แต่จิตมันอยู่ในโลกของความฝันนะทีนี้ตอนที่นอนหลับค่ะพระอาจารย์ร่างกายเรายังทํางานอยู่ลมหายใจมันยังมีอยู่มันก็เลยหับ แต่มันมก็ไม่ได้รับรูปเสียงกินรถเลยมันก็เหมือนไม่ได้ทํางานมันทํางานเพียงแต่เลี้ยงดูตัวมันเองแต่มันไม่ทําหน้าที่รับรูปเสียงกินรถเหมือนกับคนตายคนตายก็ไม่รับรูปเสียงกินรอไม่รับรูปเสียงกินรถจิตมันก็เลยต้องไปอยู่ตามตามบันโมตามตาม i m a g i n a t i o ของมันตามความความความฝันของมัน อืมโอเคค่ะพนเพราะฉะนั้นก็คือทางโลกมันก็วัดไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาที่เราวัดเราก็วัดผ่านทางร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายมันหยุดทํา ง, งานเราก็จะไม่สามารถวัดได้หรอกว่าใจมันไปไหนไแต่ว่าเวลานอนหลับนะถ้าฝันดีก็ใจก็ไปสวรรค์เวลาฝันร้ายก็ใจไปกันกนรกนลยโอเคโอเคค่ะแต่ทํำไมถึงมีฝันดีมีฝันร้ายเพราะเรามีทําดีทํําทำชั่วอยู่ใช่ไหะ อ่ไน้หละเวลาทําดีดันลบมันก็จะฝันดีอืมฟันดีก็คือสวรรค์เนีลยฟันได้ก็คือดนรกนอ่บอบายอือแต่มันไม่ได้ดับกายมันไม่ดับนะแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมันมันมันทําได้ชั่วคราวเพราะร่างกายตื่นขึ้นมามันก็กลับเข้ามาร่างกายมันรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมาแต่ถ้าร่างกายตายไปนี้มันก็จะฝันยาวไปเลย เป็นกว่จาจะได้ร่ า, างกายใหม่มันก็จึงยัตเติ้ลขึ้นมาใหม่โอเคเข้าใจแล้วค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอ่าสาธุอ่ า, อาบายที่คุณเซลน ร, นนนรนตอนมนเวลา silver spring มีไหม silver spring มี spring หเหรอใช่มี spring ได้ค่ะเด็กคงดูไม่ค่อยดีค่ะพาาระอาจารย์กลับราชการพระอาจารย์นะคะยมตั้งใจเข้ ก็เข้ามากราบพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเอาอย่างที่บอกว่าความฝันเนี่ยนะคะฝันดีแปลว่าไปฝันร้ายแปลว่าเราไปร้ายแต่<ม>ในกรณีที้เรานอนอย่างคนที่นอนไม่หลับแล้วนอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนอย่างเนี้ค่ะคือทั้งๆ้ง ท, งที่ไม่มีความฝันอย่างนี้แสดงว่าจิตเราอยู่กับเราแล้วมันคือมันก็ไม่ใช่จิตตอื่นแต่ อันอันนี้มันคืออะไรอ่คะค่ะพระอาจารย์ก็มันไม่มันไม่หลับสนิทไงมันยังคิดมากอยู่อ๋อแสดงว่าจิตยังมีความฟุ้งอยู่อ่าฟุ้งอยู่มาเลยนอนไม่หลับเป็นคิดเรื่องนี้อ<ข>ืะค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, ะ, คะเอ๋อวันนี้โยมก็ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์เข้ามากลับพระอาจารย์ค่ะอ่าโอเคค่ะครอบทีท่แรกไม่ได้เข้ามาเนะ <laughs> ะาะใช่ค่ะพระอาจารย์อขอโทษ โยมเกเลยค่ะพระอาจารย์แต่โยมฟังไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วเข้าได้ก็เข้าค่ะพระอาจารย์แต่ยังปฏิบัติบูชาพระอาจารย์อยู่ทุกวันนะคะจิบกรหายจิบกระายไปเหมือนกันที่นี่ก็หายจริงหรอคะแต่นึกว่าจะเข้ายังไม่เห็นเลยอาจจะเข้าก็ได้บางเดียวพอได้ยินเสียงก็อาจจะเปิดวิดีโอขึ้นมาทันทีก็ได้ถ้าอยังไงโยมก็กราบพระอาจารย์แทนจิบก่อนเลยแล้วกันล่วงหน้าค่ะพระอาจารย์ใช่สาธุเจ้าสาธุเจ้าค่ะ คเป็นปมือะไรทีราช า, ากลาวนมาสการเจาคพระอาจารย์ปฏิบัติบูชาพระอาจารย์นะคะขนาดเดียวกันนะคะขออนุญาตสนทนาทาเรื่องการเกิดะะอ่ะค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอะหนูหนูจะมีสตันอยู่ประมาณช่วงเวลาสองครั้งที่จําได้คือเหมือนกับว่าพออยู่คนเดียวแล้วเหมือนกับมันก็นึกว่าเกิดมาทําไมไงะคะ่ะแต่ว่าในช่วงก่อนที่ศึกษาธรรมเน่ย ก็จะคิดตลอดว่าเราอยากเกิดเป็นอะไรเช่นอยากเกิดเป็นนกแต่ก็เอ้านกก็อาจจะโดนหนังสติกยิงจากคนอยากเกิดเป็นหนอนอาจจะโดนอาจจะโดนนกจิกกัดอะไรเงี้ยค่ะไอการคิดแบบเนี้ค่ะแล้วมันมีมันมีการต่อ ย, ยอดเข้าไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราคิดแล้วมันไม่ดีอันนี้คือเป็นเรื่องของการคิดเรื่องของการใช้ปัญญาไหมเจ้าค่ะ มันก็เป็นปัญญาแต่มันไม่ได้เป็นมันก็ถ้ามันเห็นถ้ามันเห็นมันเป็นทุกข์มันก็เป็นปัญญาปัญญาก็คือการเห็นทุกข์นี้การดับทุกข์เนี่ยเห็นริยสัจสุ่เหมือนที่ที่พระอาจารย์จะพร่ำสอนก็คือมันจะเป็นเรื่องของการพิจารณาร่างกายเรื่องไหนงคะอันนี้หนูก็เลยมานั่งคิดว่าไอ้สิ่งที่หนูเคยคิดก่อนหน้านั้นมันมันก็เหมือนคล้ายๆกับปัญญาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มันไม่ได้ตัดขาดวงจรการเกิดซะทีเดียวถูกต้องไหมเจ้าค่ะ มันก็ยังไม่ได้เห็นคบอริยสัจสี่มันเห็นแต่ทุกแต่มันไม่เห็นการดับทุกว่าดับยังไงค่ะได้ค่ะยังงั้นก็จะเน้นเรื่องพวกนี้เยอะๆนะเจ้าค่ะส่วนเรื่องมันมันจะเห็นว่าการที่เรามาเกิดเกิดเพราะอะไร<ม>ก็เพราะความอยากมันอันนี้เรายังไม่เห็นตัวนี้<ม>เห็นแต่ตัวทุกตัวเดียวเห็นข้อแรกแต่อีกสามข้อยังมองไม่เห็นค่ะหนูก็จะปฏิบัติปฏิบัติจนกว่าหนูจะชาตินี้หนูจะเอาให้ได้ค่ะไม่เกิดแล้วค่ะ <Okay>. Yeah. อีกตัวหนึ่งนะเจะคะเรื่องยอมหยุดเย็นนะคะ่ะก็เพิ่งจะมาคือออกมาจากที่ทํางานเก่าเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเนี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจตัวเองก็คือก็ก็ออกมาเลยละกันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมามีปัญหากับคู่กรณีเพิ่งจะทราบว่าอ่าเหมือนกับการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วที่พระอาจารย์เคยสอนว่ามันก็มีอยู่จริงก็คือพอมาทราบว่าเขาก็ออกไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่เหมือนยีิบสี่ชั่วโมงค่ะ ก็มันก็เลยมีเผอเผอไปแสดงความยินดีกับน้องน้องที่ออฟฟิศเก่าแต่ว่าในขณะที่ไปแสดงความยินดีคือก็บอกว่าเออพี่พี่ดีใจด้วยนะต่อไปหนูก็จะแบบไม่เครียดแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าเอุอออบเบกขา น, นี้คือเ ร, เราเราแค่แสดงความยินดีเพราะว่าดีใจกับน้องที่เขาจะทำงานสบายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าพอหนูออกไปปุ๊บเขาก็เขาก็มาควบกิจการกิจการเก่าหนูเลยจนทําให้น้องน้องหนูที่เขา อยู่ที่ทํางานเก่าอะค่ะเขาเขาก็โทรศัพท์มาพูดกับหนูว่าเขาจะลาออกจะลาออกไงแต่หนูก็บอกว่าอดทนนะยอมหยุดเย็นอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันดีขึ้นอันนี้อันเนี้ยถ้าถ้าพูดถึงสิ่งที่หนูแสดงเจตนาไปนี้มันยังอุเบกขาไหมเจ้าค่ะไม่หรอมันเป็นมุดิตาเขแสดงความยริยธรรอมมมเมตตา<ฆ>กรุณามุดิตาอุเบกขนะาแล้วอุเบกขาก็เฉยเฉยไป แต่ก็เฉยๆเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของพวกหนูแล้วนะพวกหนูก็จัดการเองแล้วไม่เฉยไงเราไม่เฉยแล้วไปมุดิตาไปแสดงความยินดีกับกับพวกเขามามาหมดเรียนหันกรรมแล้วนะทุกอันนี้ยังพอได้อยู่นะคะก็ได้ก็อยู่ที่ในใจเราว่าเราไปคิดลายกับคนที่เขาไปหรือเปล่าสมน้ําหน้าหรือเปล่ามีนิดนิดๆก็ไม่ควรจะไปสมน้ําหน้าเขาเถือว่าเป็นเรื่องอุบาย เรื่องมิบากรรมของเขาไปค่ะหนูหนูก็เลยเสียดายนิดนึงนะคะว่าพอพอเรามาอยู่ห่างๆตรงเนี้มันก็เหมือนกับไม่ไม่ได้ไปวัดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหนูหนูก็พอหนูก็เข้าใจแล้วว่าไอ้ที่เราห่างมันก็คือห่างกายแต่ว่าใจหนูก็ยังปฏิบัติอยู่เรื่อยหนูก็คิดว่าโอเคแล้วค่ะค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้หนูก็ไปอยู่ที่วัดทั้งวันเหมือนเดิมค่ะมีก็จะมีความสุขอีกครั้งค่ะโอเคสาธุจ้ะ อเล็กกับกับพัฒนาพรสองคนไม่ลูกอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าการนมัสการครับ อ, อันนี้ไม่ ค, ไมคุณไม่ลูกแม่อยู่ด้วยหรือเปล่าเข้ามาในบ้านเดีวยวกันหรือเปล่าคุณแม่เข้ามานี่แม่เปิดไม้ด้วยก็ได้คุยกันทั้งคนอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้อยู่คนละที่ครับพอดีกําลังตเตรียมตัวกำลังกลับลอนดอนเป็นมหาลัยครับเลย แมะมาที่บ้านแวะมาที่บาสโลน่ามันเด็กที่บอครับแม่พูดเลยกลับแต่มาสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออ่าเป็นไงบาดีนะหาหน้าไปนานไม่เจ้งอะไรหลวงพ่อเจ้าค่ะเขา้าภาษารอบนี้คือได้แค่ศิลเจ็ดเจ้าค่ะอืมก็ยังเรื่ององอเจ้าวอ่าจ้าวข<ม>้า ไ, ได้เลย เจ้าค่ะเพราะว่าซัมเมอร์แล้วที่บ้านที่บ้านคนเยอะเจ้าค่ะปฏิญาปฏิญาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะที่บ้านก็จะแขกเยอะซัมเมอร์เจ้วค่ะหลวงพ่อล้วก็ก็ได้ได้สินเจ็ดแล้วก็มีประมาทมีรู้สึกเสียใจเหมือนประมาทเหมือนไม่ได้ฆ่ามดโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือน รู้สึกแบบตัวเองประมาทแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วรู้สึกรู้สึกเสียใจอ่ะค่ะเอก็พยายามระมัดระวังต่อไปแล้วทำอะไรที่ถึงเขาเขาออกเราถ้าเกิดเราเป็นมดถูกเหยียบบ้างมันคงคงจะไม่ไหวช่วงการหลวงพ่อก็เรารู้สึกเสียใจแล้วก็มันเหมือนเหมือนเราไม่เคยฆ่าสัตว์แล้วเหมือนไม่เสียใจก็ดีแต่เรา แต่จะเสียใจยอย่างเดียวเสียใจแล้วต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกเจ้าค่ะหลวงพ่อก็พยายามก็เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็จะล่<ม>อยเตือนตัวเองเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ก็อยู่กับความสงบหลว ง, ง, ง, ง, งพ่อเหมือนปิดวาจาไม่คุยกับใครเลยเจ้าค่ะอ<ม>ืมมันเหมือนแบบเหมือนปีกวิเวกแล้วก็ มันเห็นทุกอย่างเป็นทุกแลก็คือพิจารณาทุกอย่างเหมือนที่หลวงพ่อพูดแบบร่างกายสังขารแบบมันเห็นแล้วมันทุกมันทุกแล้วมันมันป่อยแล้วมันไม่อยากคื อ, คอไม่ดูแลตัวเองเลยหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ต้องดูแลพสอสมควรดูแล้มันอยู่<ม>เป็นปกติสุขไม่ไม่แต่งหน้าไม่อย่าปล่อยในหะ้มันซ<ม>ากสมแต่ยังไม่ตายก็ไม่ถูก ไม่อาบน้าไม่ทําอะไรเลยไม่แปลงความอย่างนี้ไม่ได้มันมีหน้าที่ต้องดูแลมันก็ดูแลมันไปแต่ไม่ต้องไปเสริมความงามอะไรอยู่แบบธรรมชาติเจ้าค่ะหลวงพ่อก็แต่ว่าก็ยังมีเวลาแต่งงานอะไรก็ยังมีแต่งหน้าบ้างบ้างอะ น, นะคะ mm hmm. แต่สําหรับตัวเองแล้วมันใจเน่ยมันมันไม่เอาจริงๆเลยเั้าค่ะหลวงพ่อมันมองเห็นนะ แต่บางทีมันฝืนมันฝืนแต่ว่ามันก็ต้องทําตามหน้าที่อันนี้เขามีเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเราก็ ย, ายินดีกับมันก็แล้วกันทําตามหน้าที่ไปเจ้าค่ะมันเห็นอันนี้มันเห็นใจตัวเองว่าเราไม่ยินดีเจ้าเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมค่ะเราก็เห็นเนีกิเลสมันเหมือนพอเราแบบ สิบแปดแล้วพอมาช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมจ่ะคะก็จะมีแขกมีอะไรเยอะที่บ้าน<ม>ก็มันเป็นมารยาทที่ต้องทานหรือไม่อยากให้คนที่บ้านว่าเอ๊ะที่เราป่วยเพราะว่าอยู่ไม่ทานอาหารไม่เราไม่อยากให้เกิดประเด็นขึ้นมาที่มีปัญหาโยงก็ก็โอเคก็ทานบาทีก็พอเราก็รู้สึกอกิเลสมันเริ่มได้ใจหลวงพ่อจ้าคะ่ะเหมือนแบบ เอาอีกเอาอีกอันนี้ลูกมองเห็นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันแล้วมันเหมือนมีพี่วันหนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็ก็เดี๋ยวก็ไปไปลอนดอนแล้วแล้วก็ก็บอกสามีก็นั่งกับเขาเพื่อไม่ให้อยากให้เขาพูดอะไรก็นั่งดินเนอร์ก็นั่งตัวเองไม่ทานเลาดูเขาทานแล้วก็นั่งบอกอ๋อไม่ไม่เป็นไรฉันไม่ทานวันนี้อะไรเงี้ยแล้วเสร็จ พอตอนดึกไปนั่งปฏิบัติรู้สึกแบบปวดหัวมากก็จะพาหลวงพ่อกิเลสมันมาแบบปวดหัวมากเราก็เลยก็เลยลงมานั่งฌานแล้วสามีก็ขึ้นมาปอกเดี๋ยวจะโทร บ, บอกหลวงพ่อว่าวันนี้ว่าวันนี้ลูกทำตัวไม่ดีนะเจก็่บอ ว, ว, วเนี่ยวันนี้อยู่อยู่พอไาอยู่ไม่ทานแล้วอยู่ทำไมมาทาน อยูนตี้เนี่ยเดี๋ยวไอจะโทรไปบอกหลวงพ่อว่าอยู่ว่าอยู่ไม่ดีนะไี่หิงไม่ดีนะวันนี้เจ้าข่าหลวงพ่อก็ปฏิบัติแล้วก็ดูดูตัวเองเจ้าข่าหลวงพ่อเจ้าข่าเจ้าขาก็ยังมีอะไรผิดพลาดอีกอีกอีกอีกเยอะเจ้าค่ะใจเรายังไม่แน่แน่ยังถูกกิเลยเราไปเรามาอยู่ เจ้าค่ะหลวงพ่อเราเห็นกิเลสเห็นมันยิ้มมาเลยค่ะเจ้าพอเราแพ้มาเนี่ยลูกมองเห็นว่ากิเลสมันมันมันยิ้มเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอันี้เจ้าค่ะเคะเคาะหัวตีหัวลูกหน่อยตีลูกหน่อยค่ะขคอยี้ก็ได้เคาะแทนเราได้ป๊กโป๊กเองออันนี้ลูกอ่าท่านสายต้องต้องเด็ดเดียวเด็ดขาดถือศีลนะถือศีลอย่าไม่กินก็ไม่กินเลยไม่ต้องมา ไม่ต้องมางองไงไม่ต้องมามปกติได้แล้วหลวข้อทไมอุย้ยทําไมแบบกิเลสมันมาแบบมันมาทุกทช่องทางเราเห็นลูกเห็นเลยว่าอุย้ยมันแบบคอปวดหัวเอ้ยปวดหัวแล้วจะต้องก็ปั่นยาปวยปวดปวดก็ปล่ยมันปวดไปจ้าพระหลวงพ่ อ, อ, อกิเลสเริ่มแบบ ม, มันมันมันคือเขิมจา้าเห็นเห็นเห็นจา้าเดี๋ยว เจ้าค่ะเห็นเห็นมันมันหุกเขิมเดี๋ยวจะต้องค่ะส่<ม>อเรี ย, ยช่วงนี้อมใจมันอย่าไปตามใจมันเจ้าค่ะหลวงพ่อช่วงนี้ที่บ้านก็อ่ะหมดซ<ม>ัมเมอร์แล้วลูก<ม> <laughs> แอกเงียบแล้ว<ม>เดี๋ยวลูกต้องเริ่มกลับมามามาม า, มามนี่ใหม่แล้วก็เริ่มล่ะเหมือนแล้วก็เมื่อเมื่อวันศุกร์ไปส่งเรี่ยวจะไปส่งเรียวสนามบินแล้วว่าสติเหมือน สติลงไปที่รถแล้วเดี๋ยวจะไปส่งเขาไปสนามบินแล้วก็แล้วก็แมวอะค่ะเขาวิ่งมาจะวิ่งขึ้นรถลูกก็แบบเหมือนสติไม่ทันใจอะ่ะมันไปก่อนแล้วมันกดรีโมทแล้วลูกใช้รถไฟฟ้าแล้วประตูมันก็หนีดอยู่ที่นิ้วกะค่ะแล้วก็นาทีนั้นอนะมองเห็นมองเห็นแล้วก็เราก็ต้องดึงประตูที่จะเอานิ้วออกมาแล้วก็นาทีนั้น มันหัวใจเนี่ยมันมันมันปวดมากเลยจ้ะค่ะแล้วก็แต่นาทีนั้นสติมันก็แบบมันพุทโธมันรู้ว่ามันมันปวดเข้าไปในหัวใจแบบแบบปวดมากแล้วก็พุทโธมันมาโดยอัตโนมัตินะคะหลวงพ่อจ้ะค่ะมันนึกถึงหลวงพ่อแล้วพุทโธมันขึ้นมาแล้วก็ถอนกระตดึงขึ้นมาแล้วแบบว่าแล้วรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยพุทโธมันมันมาโดยอัตโนมัติเพราะว่าเรา เราพูดโทรกับมันมันตลอดเวลาเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่างนี้ลูกใช้ได้ไหมเจ้าค่ะก็ทําไปนะใช่ไหมเราโทรอยู่เรื่อยๆได้ก็ดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันรู้สึกว่าโอ้มันมันขึ้นมาขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยค่ะนาทีนั้นที่เราแบบปวดก็ไปรู้สึกหัวใจเพราะว่ามันประตูล้วอต้มันมันหนีมันคือมันไปิดรีโมทมันมันโดยอัตโนมัติมันปิดไปโดย แล้วก็อย่างนี้คะ่ะแล้วนาทีนั้นลูกจะต้องเปิดประตูเพื่อดึงเอานิ้วออกมาเจ้าค่ะแต่นาทีนั้นมันมันปวดรู้สึกหัวใจแต่ว่าพุทโธมันความพุทโธมันขึ้นมามารู้สึกมันช่วยเราได้นาทีนั้นจริงจริงใช่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะโทรจะได้ดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็มีอันนี้แล้วก็มีเรื่องอาหารเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อต้องต้องตอนนี้ต้องกลับมาจัดจานอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีเรื่อง มีประมาทประมาทประมาทฆ่ามดเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ <_ d ata> ในผ่านสายนี้ก็มีแค่นี้เจา้าค่ะหลวงพอ่อนะคะเราพยายามแก้ไขไปตอนนายบอกความเราพยายามแก้นะอย่าทาําซ้ำเลเจ้าค่ะเจา้าค่ะหลวงพอ่อ <Okay, S 2> ก็พยายามบางทีหลวงพ่อบอกก็คือมันมีในทางเดินเราก็พยายามจะในทางเดินอะไรเงี้ยแล้ว มันก็มันก็มีที่มันกระเด็นไปโดนเขาโดนที่เราไม่ตั้งใจแล้วเราไม่เห็นซ่าเขาเสียชีวิตแล้วเราไปรู้สึก<ะ>เราเศร้าเนี่ยก็พยายามระมัด ร, ระวังก็แล้กันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะคอยหลวงพ่อมีฐ า, านแข็งแรงเจ้าค่ะอนน่าดึงกันเรียลยูวังเกดอนะเรียลเรียล อ, อยังจะพูดไหมยังจะพูดหรือเปล่า ครับกับมหามวิทยา ล, ายลัยนะครับก็อืมอันนี้โรงเรียนเปิดนะโรงเองยนปิดเปิดเปิดนะครับเปิดนะ ค, ครับวันนี้ก็เข้ามาฟังทำครับแล้วก็อืมมันเกดขอวงพ่ก็ห้อยหลวงพ่อเส้นหลวงตามีพร้ออะไรแข็งแรงด้วยนะครับเอ่ยังทําเรื่องฟุตบอลเยอยัออยงทําอยู่ครับยั ง, ง<ต>ยทาําต่ก็มังไทยอยอะอ่ะยังไม่ค่อยมีงานที่เมืองไทยเข้าเลยครับอ่า ก็ตอนนี้ก็เรียนไปกันถ้ามีงานก็หมังว่าจะได้ไปก็ตั้งใจเรียนหนังสือนะเรียนให้จบนะครับโอเคไม่มีอรนะอเคอันที่ก็รุงเทพศิษย์สกลนครศิษย์ตามนมันสการ์พระอาจารย์ครับอมีอะไรไหมมีครับวันนี้มี เย <Yeah, S 1> อะด้วยอ่าว่ามเมน่อกี้าเห็นฟังพระอาจารย์หลายครั้งก็เห็นพระอาจารย์จะเน้นย้ําเรื่องการรู้อยู่เฉยๆนะพระอาจารย์เนาะมผมก็มาไข ค, ควรแต่ตองรูนะ้รู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆก็คือปากทางของการเข้าสมาธินั่นเองไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าไม่ได้ปากทาง ร, รู้เฉยๆก็เฉยๆไม่มีอาะไรต้องติดใจแล้วกรร็พอพอรู้เฉยเฉยเนี่ย จิตจะค่อยๆวางอารมณ์ลงแล้วจิตจะค่อยๆคลายอารมณ์ออกคลายอารมณออกแล้วจิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิเกิดจิตเบาไขเบาขึ้นอืถ้ารู้จักรู้เฉยๆตรงนั้นมันจะเข้าไปอย่างนั้นอืมเมื่อเข้าไปอย่างนั้นแล้ว่ะจิตจิตเกิดความสุขขึ้นจิตเกิดกายเบาขึ้นเนี่ยจิตได้รับความสุขขึ้นเนี่ยอืมจิตได้รับจิตจะเพิ่มพลังขึ้นไปเรื่อยๆถ้า ขยันเข้าออกตรงจุดเนี้ยมันมันจะเป็นทางที่จิตเข้าสมาธิตรงนั้นแหละจิตจะรู้ทางเข้าออกอทีนี้มันเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราทุกวันเราทําอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเมื่อจิตมีกําลังเนี่ยจะเห็นผู้บริกา ร, รพุทโธพุทโธผุดขึ้นมาจะรู้ว่าใครเป็นผู้บริกรรพุทโธพุทโธตรงนั้นก่อนมารู้ว่าผู้บริกา ร, รพุทโธพุทโธนั้นเป็นใครแล้ว ก็ให้ผู้บริการพุทโธพุทโธน่ะคือเปรียบเหมือนกันกินข้าวก็คือให้ผู้บริการพุทโธอ่ากินคำบริการพุทโธนั้นเข้าไปเพราะว่าอะไรทั้งเปรียบเหมือนกันกินข้าวเพราะว่าถ้ากินข้าวอิ่มถ้าเป็นคนอีสานก็จะวางคำข้าวแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะวางช้อนวางซ่อมแต่ถ้าจิตเนี่ยกินคำบริการพุทโธก็จะวางคำบริการพุทโธไม่อิ่มเพราะจิตนั้นมันจะเสพความสุขนะเข้าไปเรื่อยๆ จนอิ่นกับความสุขนั้นก็เลยละคำบริกรรมพุโทโธนั้นถัดจากนั้นอนะ่ะจิตจิตยังไม่ทันได้ว่างเต็มที่แต่จิตเริ่มว่างแล้วจิตไม่ว่างเพราะจิตยังดูอยู่หลวงตามหาบัวท่านเปรียบเอาไว้ว่าเหมือนเหมือนในห้องที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วเราเก็บกวาดอะไรออกหมดจากในห้องแล้วเช็ดถูเรียบร้อยแล้วห้องนั้นว่างแล้วแต่ว่างยางไม่สมบูรณ์ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังยืนอยู่ในห้องนั้นอยู่ห้องนั้นจึงไม่ว่างอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเราจะต้องถอนตัวออกมาจากในห้องนั้นห้องนั้นก็จะว่างอย่างสมบูรณ์เพราะจิตเพราะจิตเข้าไปถึงตรงจุดที่ละคำบริกรรมพุทโธแล้วเนี่ยก็ละการดูนั้นอ่ะอีกทีหนึง่งแล้วจิตึงจะเข้าไปสู่การจิตยิ้มตรงนี้ผู้ที่เข้าไปใหม่อ่ะจะอุทานออกมาเหมือนพระอาจารย์บอกว่าแบกมาตั้งนานตรงนั้น เพราะว่าตรงนี้จิตเป็นอิสระจิตเริ่มปิดเป็นอิสระละจากการแบกภาระของจิตนั้นได้ตรงนี้เป็นจุดที่ใจตั้งมัน่นแต่ผู้ที่เข้าไปครั้งแรกอาจจะไม่รู้ว่าตรงเนี้เป็นใจตั้งมัน่นแต่จะรู้ตอนที่จิตเป๋ออกไปเป๋ออกไปข้างนอกเขาก็จะดึงจิตเข้าที่ตั้งปั๊บเป๋ออกไปอีกดึงเข้าทงที่ตั้งอีกแล้วเขาก็จะรู้เองว่าตรงนี้เป็นใจตั้งมั่นที่ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันครับอาจารย์ เส้นเส้นทางการเดินน่าจะประมาณนี้ผมฟังพระอาจาริญมาหลายรอบอยู่นะเอ๊ะก็ทําไปเลยต้องทำไปต้องพิสูจน์แล้วครับรก็ก็รประมาณนี้ครับอาจาริญโอเคครับครับขอบพระคุณพาจริญครั บ, รบจ้าสาธุอ่าไปที่คุณเอวันนี้มาเด็กหน่อยนะฮะสองอย่างนะที่ยังไม่นอนเลยน้องนันนคุณ กรรมมาสการมาจารย์ค่ะอืพอดีวันนี้พามาออส ก, ก้าร์ค่ะพวุ่งนี้ไปเกียตรติทองลองยิงเขาหยุดอ่าพามาเที่ยวเลยพามาเที่ยวค่ะเพราะว่าเขาบ่นคิดถึงก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยพ้าเขาเปลี่ยนบรรยากาศให้เขาลืมๆค่ะมานะจาร์โอเคพรุ่งนีน้วันเสาร์มาจารย์ไม่สบายเลยพรุ่งน้เราจะไปพรอยยังไงครับ แอปพี่ไม่เบอร์เอชใช่ไหมคะอ่าไม่นองเวอรพรล้วก็บอกว่าไม่นองเวอร์พรค่ะอาจารยบูชาไปกันแล้วกันค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่พี่เขาบอกเรื่องอะไรนะคะทําอาหารแล้วต้องคลาสั่นอะไรใช่ไหมคะอืมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดูกันน้องนักคุณนะคะมาเอินอยากทําอ่าซุปมิโซใส่หอยอัสลีกันไปซื้อหอยที่ตลาดไอที่ซุปเปอร์มาแล้วลืม ลืมคิดกันว่าเอาหอยมันมีชีวิตนี่นาทีนี้ว้าวุ่นเลยทนะยังไงดีวิ่งเอาหอยไปหาที่ปล่อยเท mm hmm. ทิ้งองค์บนสะพานค่ะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนพอลองเอาเขาออกมาแช่น้าดู เ, าเขายังขยับขยับก็เลยวิ่งออกไปไปล่อยบนสะพานน้องนึกนึกบอกว่าเข้าหลังเราไม่ซื้อแล้วน า, นานที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตเราซื้อแบบที่มันตายแล้ว น, าน่าเราจะได้มาปล่อยดีจ้ะ อ่าอย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจเราเราเราไม่บาดเจหบไม่ใช่้าเราถ้าเราคิดว่าเขาตายแล้วเราซื้อมาก็ไม่ไม่ไม่บาดพอรู้ว่าเขายังไม่ตายก็ไปปล่อยเขาก็ก็ไม่บาดนิดค่ะรู้สึกแบบทํายังไงดีเอ๊ะปกติหอยมันมีชีวิตอยู่ในตู้เย็นได้นานขนาดนี้เลยเหรอครับสองวันแล้วมันยังมีชีวิตอยู่เลยอืค่ะอาจารย์โอเคยังสนุกนะยังสบายใจะ ไม่พูดอะไรวันนี้จะหลับแล้วเลยเมื่อกี้แอบแอบกินกาแฟบุกผมไม่รู้คืนนี้จะหลับอืมนี่ถ้าทางยามครับอาจารย์ขอบคุณจี๊บหัวมาแล้วที่ว่าคุณสริทธงไปตามา อม่ดียอมยุ่งมากเลยยอมต้องขับรถเอาแบบยุ่งวันี้เป็นลิลลูกไม่มีเรียนนะคะเขาหยุดเรียนแล้วก็ต้องขับพาเขาไปห้องสมุดเพราะเขาจะไปเขียนอ่านเรียงความกับเพื่อนเขาก็แบบแล้วก็ยุ่งเรื่องงานพรากฏนดกขึ้นนันดตอนแบบเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วหุยเอสลินทอนเขาก็เทคมาบอกจี้วันนี้ไม่เข้าหรออะไรเงี้ยอาจารย์ถามพี่ยุ้งว่าอู้ยอยากจะเข้าอยู่แต่ว่าน่าจะเลิกแล้วมั้งสิบเอ็ดโมงแล้วอะไรเงี้ย สไลด์ออกนี่คือยังยังเขายังอยู่ในซูมเลยยมก็เลยแอกว่าเออลองเข้าดูขอบคุณคุณบอยนะคะที่ให้เข้ามากับอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะและลึกถึงพระอาจารย์เสมอนะเจ้าค่ะไม่ได้ลืมเลยค่ะโอเคขอบคุณ <ขอ S 2> ่ะ <ขอ S 2> ม, มากมนะใช่ได้ยินเสียงพระอาจารย์อวยพรทุกครั้งที่เข้ามาแล้วหรือไม่ต้องอวยพรก็ได้แค่ได้ยินเสียงพระอาจารย์ยมก็แบ บ, บชื่นใจมีความสุขระคะแล้วถ้าเรื่องในโอกาส อายุวะเขาเรียกอะไรของวันเกิดของของพอาจารย์ก็ยังไงก็ขออาจารย์มีท่าทางแข็งแรงนะเจ้าค่ะแล้วกค่ะอยู่เป็นลมโผล่มใสแล้วก็เผยแผ่ให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสปฏิบัติบูชานานๆนะคะอ่าสาธุจ่าค่ะสาธุค่ะไปที่คุนจอยพัทยาก่าวค่ะ เห็นเห็นหนูไหมคะเห็นเมื่อก si ี้ลูกชายออกมาโผลบ้านึงายรถเลยเขาเขาต้องมากล่าวเหรเขาวิ่งไปอ่ะค่นอนดึกทุกคืนเขานอนกับห้าทุมแล้วพอเวลาตอนเช้าไปใส่บ่ายเขาก็จะยืนเหมือนคนไม่เหมือนคนนอนใช่ค่ะหนูก็พยายามแต่หนูก็หลับก่อนทุกทีไม่ไไหวไม่เป็นไรตามภาษาเด็กเขาค่ะเมื่อวันอากิตย์ไปฟังเท่มาฝนตก นั่งไปนั่งที่ไหนนั่งข้างหลังเลหนูว่านั่งตรงข้างหน้าก็เถบ็บข้างหลังไปหน่อยแล้วก็เออแต่ว่าแปลกอย่างเขาพาพาจานออ ก, ออกมาคือทุกอย่างมันสงบไปหมดเลยฝนก็ไม่ตกมีแต่ฟ้าร้องอย่างเดียวอืมก็ดีค่ะแล้วก็หนูว่าปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ก็มีมทะเลาะกับเ อ, อแฟนพังเพราะว่าเขาไม่ยอมอยังไม่ยอมอยู่เยังโขาดือ้อค่ะอืม แต่ว่าเราก็ดูเราก็ดูแต่ว่าหนูพาเขาไปจากบารเทบววันวันที่สามสิบมาค่ะอโอเคแต่ว่าหนูไม่เห็นพราจานท์เพราะว่าเป็นไม่ได้เดินค่ะก็ใส่เสร็จแล้วก็พากันกลับค่ะโอเคเดี๋ยวันพาเรอไปใส่บาตรอ่โอเคอันนี้คำถามไปที่ทางใครคุณคุณลาะละคุณลาะกลับมาแล้วนะไปบวชมาสามเดือน แบบนักมศการพระอาจารย์เจค่ะมีคําถามจากทาง facebook ทั้งหมดสี่คำถามเจ้ค่ะคําถามแรกจากคุณสงาทางานเจอเพื่อนร่วมงานอารมณ์หงุดหงิดพูดไม่ดีเราควรทําอย่างไรครับไก็เฉยๆไปเราห้ามเขาไม่ได้ปล่อยเข้าไปเขาจะยังมึนงงกันหมดเราอยากไปอยากให้เขาพูดไม่ดีปล่อยเขาถ้าเราอยากไม่ให้เขาพูดไม่ดีเราก็จะทุกข์ ถ้าเราไม่อยากเราเฉยๆก็จะพูดอะไรก็เรื่องของเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์สามคำถามต่อไปจากคุณเทระภูมิค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งผมรู้ว่าถ้าปล่อยวางร่างกายได้เราจะไม่ทุกข์กับโครคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่ความตายผมเคยคิดว่าผมยอมรับได้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ควรจะไปยึดตอนนั้นผมรู้สึก สายใจแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานผมกลับรู้สึกหวงหาอาธรร่างกายอีกครับผมจะต้องทำอย่างไรถึงจะปล่อยวางได้จริงครับก็ต้องฝึกสมาธิให้มีอเบคาแล้วก็ลองไปหาอยู่ที่มันน่ากลัวหนึ่งที่มันท้าทายกับความเป็นความตายเนี่ยตอนนั้นเราก็จะรู้ว่าเราปล่อยได้จริงหรือไม่ได้จริงเพราะตอนนี้เราเราปล่อยเพราะด้วยความคิดเท่านั้นเอง นันอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเบาสบายปั๊บหนึง่งอย่นนี้มันมันมันมันยังไ ม, ม, งไม่มันยังไม่ได้ปล่อยจริงอะคถามต่อไปผมได้ยินคนพูดกันบ่อยว่านอนสมาธิแล้วพุโทโธไปเดี๋ยวก็หลับแต่ผมทำแล้วมันไม่หลับเลยมีสติ ก, กับคำบริกรรมตลอดแต่ไม่หลับครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำครับ พรมันอยากจะหลับมันอย่าไปอย่าไปอย่าไปทำเพื่ออยากให้มันหลับทำแบบว่าไม่ต้องไปนสนใจมันจะหลับหรือไม่หลับแล้วก็ทาของเราไปเลยเอยความอยากหลับเนี่ยมันตัวที่จะทำให้เราไม่หลับกันฉันถามสุดท้ายถ้าจะทำทางเดินจงกรมควรทำพื้นทางเดินแบบไหนครับ เห็นวัดป่าพระท่านทำแบบขอบเป็นปูนแต่ทางเดินโรยด้วยทรายถ้าทำทางเดินเป็นพื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องจะดีหรือไม่อย่างไรครับขอคำแนะนำกราบขอบพระคุณครับอ๋ออันนี้ก็ไม่มีข้อบังคับแต่อย่างใดแล้วแต่ความพอใจอยากจะเทปูนก็ได้อยากจะปูกระเบื้องก็ได้อยากจะใช้ทรายก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความพอใจไม่มีข้อห้ามต่อย่างใด ทางที่ดีก็คือทำให้มันแบบง่ายๆอย่าไปยุ่งยากกัามานคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคคุนิ้งเข้ามาสุดท้ายคุณนิง้งค่ะนักการ์พพลาจาครองนอกเข้าไม่ได้ค่ะสองอาทิตย์นี่นายพอดีขึ้นคนสุดท้ายพอดี <c oughs> ค่ะก็พยายามเข้าสามครั้งนะคะพระอาจารย์มันหลุดแล้วว่ารอคิวก็ไม่ปล่อยให้เข้านะอ่าใช่ค่ะเด็กเขา<ม>เข้าเจมาพระอาจารย์เพราะว่ามีมแต่ตาอวยพรพระอาจารย์แล้ก็ดีด้วยครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์หนูก็ต้องฝึกใจของตัวเองต่อไปค่ะอยู่กับ<ม>อยู่กับสิ่งรอบข้างในครอบครัว<ม>ค่ะพยายามฝึกสติแล้วใจเราจะเฉยๆกับสิ่งต่างๆได้นะ ค่ะพระอาจารย์ก็ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต้องจอหลายคนนะคะพระอาจารย์คนแก่เยอะคนแก่แล้วก็เด็กนะคะพระอาจารย์ก็มีอะไรค่ะเพราะว่าก็ไปอ่ฟังธรรมกับพระอาจารย์ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะพระอาจารย์ก็เห็นเห็นถายเห็นถ่ายรูปมาในในเฟซบุ๊กค่ะพระอาจารย์ก่อไปต่อไปค่ะพรอาจารย์ก็ใช่ค่ะก็พยายามปฏิบัติอ่ะต่อไปค่ะพระอาจารย์ดูใจของตน ะอาจารย์ปฏิบัติไปเรื่อยๆ อ, อย่างเส่งเนี่าพระอพาจารย์เค <Okay. S 2> อารับพระอาจารย์ขออาจารย์ท <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่านแขกงแรงนะคะจ้าสาธุจ้าครับพระอาจารย์โอเคก็คือว่าบทกะะ็แล้วแต่วัคืนนี้บทเวลาบทคนพูดบทคำถามก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ แล้วความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ